เารินพรท่านสาวธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมสนทนาธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาทุกท่านที่มีความสนใจอยากจะร่วมก็เชิญเข้ามาได้แต่อาจจะต้องเข้าคิวเลากันไปตามลำดับ วันี่เราก็ไปที่เด็กชายนักคุก่อนนคุณี่ครับกับนมาสการค่ะพัดจารมีอะไรคืออะไรว่าววววันนี้เมื่อวานฉันตะขอจิบของคนให้เต็มเลยครับเหรอฉันตะขอจากที่ไหนอะเข้ามาในบ้านได้ยังไงอ่ะครับนั่นเลยเข้ามาได้ยังไงอะเรปิดประตูล็อกมือเลยครับนั่นเลย ทันตแนี่เก่งนะสามารถเข้าไปได้ทุกบ้านเลยได้อะไรบ้างเงีมาหลายอย่างเลยครับถ้าหนูค่าหนุ่จองอันนี้เลยครับเอชอบไหมชอบครับดีใจไหมดีใจครับอ่าเอาไปหนูก็ต้องให้ให้คนอื่นมากนะเขาจะได้ดีใจเหมือนหนูโอเคไหมครับ พี่ครับกานาจะกานาครับติดตามยังครับอาจารย์อ่าตอนนี้เด็กๆมีความสุขกันนะ อ, าอนคาอนคตอนคาคตมาเยี่ยมกันตื่นมากลางดึกถามซันตคอสมาหรือยังน่าจะไปแล้วมั้งที่ที่ี่ปุ่นเขาฉลองมันงหรอที่ญี่ปุ่นก็มีฉลองค่ะแต่ก็ไม่ได้คึกคืนมากเหมือนของไทยค่ะ เขาจะเป็นแค่บางจุดธรรมดาญี่ปุ่นนี่ก็นับถือศาสนาอะไรกันชินโตค่ะเป็นนับถือพวกเท พ, พเจ้าลมฟ้าทะเลป่ามักท่าสีที่น้ำลมไฟเลยค่ ะ, ะาอาจารย์แต่ก็มีมีมีพุทธเหมือนกันใช่ไหมแต่พุทธน้อยใช่ไหมมีพุทธค่ะแต่ก็คนละนิกายคือพระก็สามารถหลังำงานมีพรพรพรยาได้ค่ะตอกบัตร เข้าทํางานนะคะตอนเย็นพักก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ถือกระเป๋ากลับบ้านค่ะอันนี้เป็นเอ่อเป็นเหมือนเป็นอาชีพเป็นอาชีพค่ะแล้วก็นัดกันในในแก๊งของพ่อพ้าค่ะเคยไปเชิญไปกินเหล้ากันใช่ค่ะกินเหล้าได้ไม่เป็นไรค่ะกินเหล้าได้ไม่เป็นเที่ยวผักเที่ยวอะไรได้แต่ก็จะมีบางวัดเท่านั้นที่แบบว่าเคร่งเหมือนกับของขันค่ะใช่แต่น้อยค่ะ แล้วก็เป็นอาชีพที่ทำรายได้ได้ดีมากเลยเพราะไม่ต้องเสียภาษีวัดพุธใช่ไหมในวัดพุธใช่ไหมอันนี้วัดวัดญี่ปุ่นค่ะอ๋อวัดชินโตเลยค่ะอ๋อวัดชินโตแต่วัดวัดพุธนี่เป็นพระจริงๆเป็นพระนิกายมหายานใช่ไหมค่ะวัดพุธวัดพุธนี่พาะจริงๆค่ะอืมกินเร่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้นะแต่ก็มีแต่ก็มีของของพุธที่เป็นนิกาย ของเข า, าค่ะหนูจำไม่ได้เทตธรรมวัดหรืออะไรสักอย่างก็ก็กินเหล้าได้ไดเหมือนกันค่ะกินเหล้าได้เลยค่ะเขาจะมีแบบวัดที่เคร่งกับวัดที่ไม่เแข่งค่ะอืค่ะก็แปลกๆนี่ค่ะเป็ น, ปนมีจํานวนมากไหมถ้าเปรียบเทียบกับกินโตเนี่ยหมายถึงวัดที่ไม่เคร่งวัดพวั ด, วดของพุทธที่แข่งอ่ะอ๋อไม่เยอะเลยค่ะน้อยมากเลยค่ะน้อยมากเนี่ยค่ะน้อยแล อือส่วนใหญ่ <จะ S 1> <laughs> เป็นวัดค่ะไม่เข่งเง oh. พีแต่ว่าเป็นให้คนเขาไปทําบุญอะไรประนั้นใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับสืบทอดเหมือนเป็นมรดกต่อรุ่นสู่รุ่นอย่างเงี้ยค่ ะ, ะวัดพ่อพ่อก็ให้ใครรูกเป็นเจ้าวาดต่อให้เงี้ยใช่ค่ะแล้วก็เงินก็หมุนมเวียนเนี่ยรวยมากค่ะจ <laughs> ะคนญี่ปุ่นก็ชอบทําบุญเหมือนกันใช่ไหมชอบค่ะเขาจะยิ่งปีใหม่วันปีใหม่วันครบรอบอ่าอะไรนะคะ เขาเรียกอายุครบรอบสามวบกครบเจ็ดหรือว่าประมาณแบบกี่สิบปีเนี้ยคะ่ะก็จะมีไปทําบุญใหญ่กันก็ต้องเชิญพระใส่ซองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เขาจะไม่มีนิมนต์พระมาบ้านกันใช่ไหมมีหมีม ม, <า>มีค่ ะ, <พา S 1> ะมีค่ะพระจะกันเลยค่ะอืมก็จะมีบ้างแล้วของวัดไทยแล้วพระไทยเรามีเยอะไหมที่ญี่ปุ่น ที่หนูไปเป็นวัดป่าสายหลวงปู่ชานะคะก็ก็มีเยอะมีสาขาตัวเกียวแล้วก็ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์สายวัดปากน้ำวัดกายค่ะมีก็จะเป็นคนไทยไปกันใช่ไหมไม่ใช่เป็นคนญี่ปุ่นใช่ค่ะแต่วัดที่ที่ที่หนูไปประจําวัดป่าตรงอ่าในตัวเกียวมีคนญี่ปุ่นที่เขาแบบกเกษียณแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็เข้าไป คอยเป็นเหมือนโยมอุปถัมภ์อะคะ่ะทำทุกอย่างในวัดฟังไม่น่าจะรู้เรื่องอะคะ่ะแต่แกก็แกก็แกแก็อยู่ช่วยงานอาปถาค่ะค่ะก็พอมีค่ะพระอาจารย์ดีดีค่ะไม่ไทราบข้อมูลนิดหน่อยไม่ค่อยรู้เรื่องศาสนาของญี่ปุ่นค่ะค่ะพระอาจารย์ปีใหม่โอ้โหคน เข้าแถวเพื่อที่จะไปเคาะลักครังแล้วก็ไปขออนปีใหม่นี้ไปแตนตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะเหมือนสวดมนต์ข้ามปีอ่ะคะ<ม>่ะอืเขาจะเปิดให้เข้าไปเขาเรียกอ<ม>ันหัสโมเดตเข้าไปไหว้ครังศาลเจ้าครังแรกค่ะของอันนี้อันนี้เป็นวัดชินโตใช่ส่วนใหญ่โตค่ะใช่<ม>ของวัดไทยก็จะมีไปสวดข้ามปีหนูก็พาน้องคุณไปนอน<ม> <laughs> ข้ามปีประจัอื์<ม> <laughs> ค่ะก็ดีอย่างไรก็มี มีศาสนาเป็นที่พึ่งมั่งนะค่ะพระอาจารย์แล้วปีนี้จะไปต่อไปนี่อยู่อยู่กรุงเทพใช่ไหมปีนี้อยู่กรุงเทพค่ะกําลังดูว่าสเก็ตจะไปที่วัดตักบาตพระอาจารย์ได้หรือเปล่ารอคนกำลังรอเขาไม่รู้เขาหลาหรือเปล่าคะ่ะเดี๋ยวจังหวะนะค่ะพระอาจารย์ จ, จะกลับไปให้ได้เลยค่ะกลับยังไม่ทานพระอาจารย์เจ้าค่ะอสาธุอ่า เออจะแม่แจ๊สที่จะแม่กลับมาแล้วเหลอปรามนมันสการครัอาจารย์ค่ะ Merry Christmas ครับเอ่อไปแข่งมารุ่มได้อะไรหรือเปล่าไ ม, ไม่ไดครับแต่ก็เอ่อแข่งเวสติคตาครับชนะ5แพ้5้าครับอ๋อยังไม่เป็นแมสเตอร์นะยังครับยังครับกลับมาสามต่อไปสามต่อไปครับอืม อันนี้มาส่งกันบ้านใช่ไหมใช่ครับว่ามาเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มบนความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มบนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มบนความตายไปไม่ได้เราจะละเว้่เป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องทันท่เจะของร่าของจะเรงใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นญาณเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่ออาศัยเราทํากรรมใดไว้เป็นบุญ ห, หรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปตอนนีหลายคนก็จะรายงานอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธออต้องทํากรรมดีนะทําบุญนะอย่าไปทําบาปาทําบาปแล้วมีแต่ทุกข์ตามมานะ ทำบก็มีแต่ความสุขตา ม, มาอ่ะแล้วาร่างกายเราเป็นยังไงบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยี่ในกระดูกม้าหัวใจตับถังืึกไตปอดไ้ใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่ อาหาเข่าแยกในสมองสีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงน่าน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ครอบน้ำมูดน้มูดน้ำไข่อบน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเน่าน้ำเลือด น้ำเหลือน้ำเสลนน้ำดีเยื่ในสมองสีสัอาหารเก่าอาหารใหม่ใส้น้อยใส้ใหญ่บอดไตผังพืนตับหัวใจน้ำเยื่ในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บฝนผม ใช่ไหมว่าร่างกายเรามีอาการเหล่านี้อยู่ข้างในมีต้องเยอะแยะไปหมดเลยนะมั น, นอยู่ข้อน uh huh. อยู่ได้ไงก็ไม่รู้นะครับ uh huh. <laughs> นะอย่าลืมนะตอนนี้ uh huh. เป็นความรู้ที่จะช่วยทําให้เราเอฉลาดทําให้เราไม่หนงไม่ทุกข์กับร่างกายเพราะเราไม่อยู่ในร่างกายนี้นะไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ครับ uh huh. โอเคแล้วเราก็จะไม่ไปหลงรักตา้งกจของใครแล้วนะไม่มีแฟนนะไม่ต้องแต่งงานนะอยากจะแต่งงานไหมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเลยตอนนี้ยังอถ้านึกถึงอาการ32บ่อยๆไม่ลืมก็จะไม่อยากจะแต่งงาน โอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีแนนะ้ครับยาธิน้กานะครับอ่าแฮปปี้ฮาลิดย์ต่อเครื่องลครับพ่อเขาจลองทิสแมนหรืเปล่าพอเราจะลองครับเป็นซันคิคอรหรือเปล่า <laughs> <laughs> จะตีเป็นคร <laughs> ับจะตีแต่งตัวครับเนอแล้วจะเดีเอยวของมาแจากที่ไหนของอยากที่ไหนมาแจาก แจกของระในครอบครัวครับวันนี้ได้ของไม่ยังทันตะก้อแล้วของมาแจากก็ยังยด้แล้วครับยังเลยลได้แล้วนอได้แล้วโอเคก็มีเยอะก็เอาไปให้คนที่เขาไม่มีบ้างก็ดีนะทนําบุญเรามีความสุขแล้วก็แบ่งความสุขให้กับคนอื่นก็บ้างออโอเคเอาตอนนี้ก่อนนะ ก็าบขอบพระคุณ พ, พระอาจารย์ครับน้องตะวันจากคอร์แลนด์็นทำไมาภาพของเรามัมแลวเกินกล้องไม่ดีเลยเป็นการชการัเป็นแลป็ปท็อปอันเก่าใช่คะะอาจารย์มันกล้องต้นเก่านะต้นเก่าคับเนี่ยของเก่ า, าไปอย่างเงี้ยสู้ของใหม่ไม่ได้ไม่เที่ยงมีอะไรไหม วันนี้ไม่มีคำถามครับเคุณพ่ อ, อยังทำงานอยู่แล้วกลับมาบ้านนะเออกลังจะ่วงกลุมตอนนี้ครับเอาเดินอยู่ก่อนนะเน่าเดี๋ยวนี้รูสึกแข้งนะคุณพ่ออือก็ดีมีอะไรไหมไม่มีครับแล้วคุณแม่มีหรือเปล่า ไม่วันนี้ไม่มีคําถามใช่ไหมพระอาจารย์แต่ว่าโยมรู้สึกอยากจะฟังเทศจากพระอาจารย์เฉยๆเจ้าค่ะก็ฟังไปเรื่อยๆก็แล้วกันอย่างนีพระอาจารย์โยมอยากฟังเรื่องโทษของการมาคุณฆ่านะคะพระอาจารย์มันก็ตอนนี้มันไม่ได้ เ, เป็นเวลาทเทศมันเป็นเวลาสนทนธรรมนะต้องสนทนธรรมไปก่อน กรรมมาคุณห้าสั้นๆเท่าของมันก็คือมันเหมือนยาเสพติดนะเสพแล้วก็ติดก็ต้องกลับมาเสพแม่ๆต้องกลับมาเกิดในกามมาพบนะสังสารวัตรมีสามพบตายพบ ก, กรรมมาพบรูปพบอรูปพบคนที่ติดกรรมาคุณห้าก็ต้องกลับมาเกิดเป็นกลับมาเกิดในกามมาพบพบของมนุษย์ของเทวดา ภพาของเปรดของเดรัจฉานเนี่ยอยู่ในกามะพบตนี้เสพกามทั้งหมดส่วนพวกที่ติดฌานก็จะไปเกิดในรูปะภพกามรูปะภพติดรูปะฌานก็ไปเกิดในรูปะภพติดอรูปะฌานก็ไปเกิดในอรูปะภพภพของพรหมแตเป็นภพที่มีความสุขมากที่สุดแต่ก็ยังต้องมาเวียนไหวตายเกิดยังต้องเสื่อม จากพผมงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็แต่ไม่มาเสพการพวกนี้เขาจะมาทําสมาธิเขาจะมาเข้าฌานส่วนพวกเสพการที่เขาก็จะมาหารูปเสียงกิน่นรถไปหามีครอบครัวไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงวีใหม่ไปเลี้ยงไปฉลองอะไรกันเนี่ยเยพวกนี้เรวพวกเสพการไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ตายไปถ้าทำบุญก็ไปสวรรค์ไปเป็นเทพทำบาป ก, ก็ไปเป็นสันเดลฉาน <c oughs> แล้วก็ผอมพ้นกรรมพ้นบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเสพการมใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เที่สอนให้เราเห็นโทษของการคุณญโิดเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดและบอกทางสู่การหลุดพ้น คือทานศีลภาวนาปฏิบัติทานศีลภาวนาได้ก็หนุดพ้นจากการเมีแว่าตายเกิดในใจพบได้ตงละงกรรมละชานทั้งรูปฌปานและรูปฌานแต่ในเบื้องต้นเราต้องอาศัยรูปฌานเนื้อรูปฌานเป็นเครื่องมือละกรรมคุณนทานก่อนละกรรมก่อนพอละกามได้แล้วเราก็ต้องมาละเครื่องมืออย่าไปติดเครื่องมือ แล้วถ้าติดในรสของอาหารนี่จะมาเกิดในภพของมนุษย์กับเดรัชานใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็ในระภพของมนุษย์เทวดานี้แล้วแต่บุญแต่บาปถ้าเป็นบาปก็ไปเกิดเป็นเดรัชานเป็นเปรตถ้าเป็นบุญก็ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วพอหมดบุญครับก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่แล้วก็มาเสดกล้าใหม่พร้อมพร้อมกันคน mm. นี้ยังไม่รู้จักสมาธิเข้าฌานไม่เป็นนะ แต่ถ้าพวกที่เข้าฌานเป็นเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาบวชกันมาเป็นนักบวชเป็นแม่ชีเป็นพระเป็นฤๅษี ช, ชีภัยอะไรต่างๆ น, นี่ mm hmm. มีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วสมาธิฌานรูปฌานและรูปฌานนี่ยังเป็นโลกียะอย่างไม่ได้หลุดพ้นยังไม่ได้ทําให้หลุดพ้นจากการเรียนว่าตายเกิดได้จะเป็น mm hmm. ได้ก็ต้องละหมดละกามละ ละกรรมคุญห้าละรูปรชาละรูปรชาตเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นตายรักหมดกรรมคุญก็เป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปรชาณรูปรชาญก็เป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้รอนเป็นทุกข์เป็นเหมือนยาเสพติดก็เลิกเสพซัพอเลิกเสพเ<อ>ก็เบ็นอนิั เราไม่เสพแล้วไม่มีความอยากล้าจิตก็เป็นจิตก็ออกจากตายพบไปก็ไปอยู่ในนิพพานนอกตายภพเราก็เรียกว่านิพพานในที่เรามาปฏิบัติกันก็เพื่อละกามคุณห้าละได้แล้วเราก็าละลูกประชานหรือลูกประชานที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการละกามกุลห้า กามคาุณกินเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักอิ่มเฉพาะภาชนะใช่ปัญหามั น, นมั น, ม, น, ม, นมันเป็นบรรยาเศษเต็มไงเต็มเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแม้ <c oughs> <c oughs> แต่รูปรชาญรูปรชาญก็ก็เหมือนกันไม่อิ่มไม่พอ <c oughs> เอาชาญก็มีความสุขเอาเขามาเอามาจากชาญก็ความสุขนั้นก็หายไปถ้าอยากจะได้ความสุขนั้นก็ต้องกลับเข้าชาญม่แต่มันก็จะเต็ม ถ้าไม่อยากจะติดก็ไม่ต้องเข้าฌานดุดความอยากเข้าฌานทําใจให้<ต>ไม่มีควา ม, มอยากแล้วจะรสึกพอใจใช่ไหม ค, มพาาคมะพระอาจารย์เอาขใคมันรู้สึกพอใจมันก็เลยติดใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่มันสุกไงกามกุลระดับจากสุขมากกว่ากามกุลฮะกามกุณก็เป<ม>็นความสุกได้กินของอร่อยอร่อยก็มีความสุขแต<ม>่ความสุขจากการเสพรูปเสียงกินแล้วนี่สู้ความสุขจากรูปฌานหรือรูปฌานไม่ได้ แต่ความสุขของรูปประชานรูปประชานก็ยังเป็นเป็นทุกข์อยู่เพราะมันไม่เที่ยงซึ่ขขงเความสุขของนิพพานดีกว่าความสุขของนิพพานก็คือไม่มีความอยากตัดความอยากไปหมดความอยากเสพกามก็ตัดไปความอยากเสพรูปประชามรูปประชามก็ต้องเสพตัดไปพอตัดไปหมดทีนี้ใจก็ว่างอิ่มขึ้นมาทันทีเพราะความอยากเป็นตัวที่ตัวที่ทําให้ใจหิวมันเราหยุดมันได้เราเลิกมันได้ เราไม่มีความอยากใจก็ไม่หิวติกต่อไปใจก็อิ่มเป็นนิพานเป็นสุขไปตลอดพระอาจารย์ยมนึกถึงแมงอะไรนะแมงที่มันชอบกินกินขี้วายนะครัพระอาจารย์มันคือแมงกุดจีหรือเปล่าคะพระอาจารย์คือเราจะไปว่าว่ามันโง่ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามนุษย์เราก็เอ่อหลงว่าการ32มันก็สกปรกเหมือนกันไม่เป็นไร ใช่ครับอาจารย์มันก็บอกว่ามันอร่อยใช่ไหมครับออืแล <c oughs> <c oughs> ้วที่เราหลงรูปอะไรกันหลงร่างกายกันของคนอื่นของตัวเองมันก็มัน ก, มนก็มันก็เหมือนกับก็หลงอุจจาระของตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์มันก็ไม่ต่างอะไรกับแมงกุ๊จี่ใช่ไหมครับนั่นแหละรูปเสียงกล็ดเราใช่ใช่ใช่เอ่ยนักปัญญาดูอสุภะดูความสชกโภกของร่างกายดูความไม่สวยงามของร่างกาย แต่กิเลสมันก็ชอบหลอกให้เราเสริมความงามมาอยู่เลยแข่งขันยิงยุคนี้โอ้ยมีวิธีการเสริมอยู่เลยเดี๋ยวฉีดนูน่นฉีดนี่เดี๋ยวดึงนู่น ด, ดึงนี่คนนี้หน้าตาหน้าตาไม่เหมือนกับตอนที่เกิดมาเลยกลายเป็นเหมือนเกิดอีกคนหนึ่งเลยก็พระเจ้าที่เมงจีนเขามีการฟ้องร้องนะคะว่าผู้ชายอ่ะไปไปไ ป, ไปฟ้องศาลว่าลูกเกิดมาหน้าตาขี้เหร่อค่ ะ, คะไปฟ้องผู้หญิง ว่าว่าคุณไม่ได้บอกความจริงแกเราอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าก่อนที่เขามารู้จักผู้ชายเนี่ยเขาหน้าตาเขาขี้เหร่เขาไปสัญญกรรมมาแล้วก็มีลูกด้วยกันนะคะแต่ลูกออกมากหน้าตาขี้เหร่อย่างนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วผู้ชายไปฟ้องศาล ร, รู้สึกว่าศาลเขจะให้ผู้ชายชนะนะคะระอา <laughs> จารยโง่ก็ขำผู้หญิโ ด, <laughs> โดนโดนข้อ ห, หาหลอกลวงได้ <laughs> ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ <laughs> แต่ก็ไม่ใช่ผู้ผู้หญิงนะที่ทำสมัยนี้ผู้ชายเ้าก็ไปทำามาเสริมจมูกเสริมอะไร<ม>อย่างเงี้ยทำหมดนะอยากาหมดเ อ, <ย>อยากร่ออยากสวยกันใช่<ม>คนเราลงกับลงในรูปร่างหน้าต า, คาใครนอใครสวยอยคนแห่มาตอมเหมือนแมลงวันนะใช่ค่เป็นมแมลงวั น, น, มนมไม่ใช่ออตามเหมือนแมลงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผีเสื้อเราอาจ า, ารย์แมลง <ท>ก็<ม>พระอาจารย์จะชอบยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเรื่องนางงามประกวดนางงามอย่างนี้ยค่ะอืมจริงๆยงก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเขาน่าจะตั้งกติกาไหมถ้าคุณจะประกวดนางงามหรือชายงามได้นะคุณจะต้องไม่มีอุจจาระอยู่ในลำไส้อย่างนี้คุณถึงจะมาประกวดได้อย่างเนี้มันก็ไม่มีสิ่งที่ใค ร, ใครก็ประกวดได้ดิคะพระอาจารย์ใช่ไหมเพราะทุกคนมันก็มีคุณต้องไม่มีไม่ให้มีอวัยวะต่างๆข้างในให้เป็นเมือนวง ใช่ค่ะพ่อชัยโลกไม่มีาการ312ก็เป็นแค่ภาพว่าภาพถ่ายนั่นเอภาพถ่ายไม่มีอาการ312โลกตอนนี้มันยิ่งหลงกรรมกุลกรรมนี่มันยิ่งแรงเน้นเรื่องการเสพกรรมกันกินเงินตั้งแต่24ชั่วโมงเนี่ยนี่้าน้านเซเว่นเปิดตลอด24ชั่วโมงไปกินตอนไหนเวลาไหนก็กินได้ เด็กสมานี้อ้วนไปหมดเลยเห็นไม่มีเดี๋ยวนี้เด็กอ้วนเยอะเมื่อก่อนไม่เคยเห็นเด็กอ้วนอ้นอย่างนี้พอแม่เก่าใจพอแม่เก่าใจเดลยอยากจะกินกินกินแม่ซื้อของมาแพ็คใส่ตู้เย็นเต็มไปหมดกลัวลูกอดกลัวลูกจะทุกข์อาจารย์หลาโยนนะคะอาจารย์เขาว่าโยนฟังจากแม่เขาเล่านะแต่โยนก็ไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสนอความเห็นอะไรไป เขาเรียกลูกเขาเนี่ยลงมากินกินข้าวข้างล่างที่ลูกไม่ยอมลงมาอะไรแล้วเขาก็เลยเอาอาหารที่เสิร์ฟขบนเด็กกาลังเล่นเกมอยู่นี่แม่ก็เอาอาหารที่เสิร์ฟจเลยงไม่พูดอะไรโยงไม่ได้พูดอะไรเกิดมาเป็นที่าลูกลูกนี่มาเป็นเจ้านายพ่อแม่เจ้าเจ้ากรรมนายเวรที่แท้จริงก็คือลูกๆเนี่ยมาทวงนี้ แมมือทันทีอ่ะไดายมาไปนู่นมานี่ต้องจ่ายไปซื้อนู่นซื้อนี่ต้องจ่ายแล้วก็ยินดีจ่ายรีบรีบยกให้เลยรีบรีบบีบให้เลยกลัวเดี๋ยวลูกจะร้องกลัวลูกจะเสียใจกลัวลูกจะโกรธเรากลัวจะไม่รักเรา ม, มันไม่รักเราหรอกมันนักเงินเรา เราไม่มีกันให้มันเด็กมันก็ทิงเรา่ะเราก็ค <c oughs> ุยกับคุณมาก็อาจารย์ว่าเด็กแสเหมยเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพ่อแม่กลัวลูกจะไม่รักตัวเองเนี่ยเออ<ม>ที่อาจารย์พูดะถูกต้องมากเลยค่ะ<ม>กลัวลูกมันจะโกรธเรากลัวลูกมันจะไม่รักเราอย่างนี้ใช่ไหมคะาาาอาจารย์ก็เลยตามใจอืมถ้ามันไม่รักเราก็ดีแล้วเราจะต้องไม่เลี้ยงมันไม่รักอืมอ่า แต่อย่างว่านะความหลงรักลูกไม่กล้าตัดยังไงก็ไม่กล้าตั ด, ตดเลวร้ยายขนาดไหนก็ไม่ตัดจะทุบตีพ่อแม่อย่างไรก็ไม่โกรธแม่โอ้พระคันโยมาเคยลองแหย่แย่แยบคุณแม่ของโยมเองว่ามันมีข่าวที่ว่าลูกอะ่ะทรารพีใช่ไหมคะจับพ่อแม่เดี๋ไปขังแล้วก็เอาน้ําจีดให้กินยายาพีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมคบคิดกับกับกับภรรยาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โยมก็เลย แม่ถ้าลูกแม่เป็นอย่างนั้นน่ะแม่จะยังสมมติว่าลูกเข้าคุกไปอย่างเงี้ยแล้วออกจากคุกแล้วมันไม่มีบ้านอยู่แม่จะเอาลูกเข้ามาอยู่ในบ้านแม่ไหมทั้ทงๆ ท, ที่มันเคยจะทำร้ายพ่อแม่มาก่อนอย่างเงี้ยโยมแม่ของโยม ก, ก็สักพักหนึ่งก็คือดูแล้วว่าแม่ของโยมก็คงจะรับรับลูกนั่นแหละกลับเข้ามาค่ะพระอาจารย์เพราะว่าท่านก็บอกว่าก็เป็นลูกะจะให้ทายังไง มันเหมือนเอางูเข้าบ้านโยมก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่เคยเกิดกับโยมแต่สําหรับโยมถ้าตะวันทำแบบนั้นโยมว่าก็คงตัวไข่ตัวมันนะคะพระอาจารย์เพราะว่ามันมันจะมาทําร้ายเราอ่ะเราจะไปเอามันเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็อืมันแล้วแต่ความมุมมองความคิดมากกว่าแต่สําหรับโยมโยมว่าไม่อะโยมไม่เอาเข้ามาค่ะพระอาจารย์อืมก็ดีท่ฉลาดกดีท่ า, า, านางโง่ แต่มันแล้วแต่อาจจะเป็นที่ความเสียสละหรือเปล่าคะพระอาจารย์อย่างสําหรับแม่โยมอะแม่โยมรู้ว่าแม่โยมอะคือแบบยอมอดเพื่อให้ลูกได้กินอย่างเงี้ยอย่างเวลากินอาหารท่านจะบอกว่าพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแต่คืออยากจะให้ลูกกินก่อนแบบนี้ค่ะพระอาจารย์พ่อแม่<ท>ยอมตายเพื่อลูกนเห็นไหมพ่อแม่ยอมตายเพื่อลูกอืมถ้าลูกจะฆ่าพ่อแม่ลูกพ่อแม่ก็รู้สึกเฉยๆยอมตายคิดว่าเป็นเมนกรรมของพ่อแม่ไหม ออืความรักของพ่อแม่ในมหาศารต่อลูกเรใช่ค่ะอาจารยแต่ถ้ามันเคยจะฆ่าเราอ่ะแล้วมันเข้าคุกเราไม่มีบ้านอยู่อ่ะจะให้มันเข้ามาเหรอค่ะอาจารย์ถ้าไม่ให้อภัยในที่สุดก็ต้องให้อภัยมันก็ไม่อยากจะเห็นทุกข์ยากลำบากอยเงีโอ้หอืมอืมอันนั้นคือเมตตาแล้วถ้าเกิดว่ามันจะต้องเมตตาตอด้วยใช่หมย้อมอดเพื่อให้ลูกได้กินอ่ะถ้ายอมอดเพื่อให้ลูกได้กินแล้วทําไมถ้าลูกมันจะ มันไม่มีที่อยู่ทำไมยังไม่ให้มันอยู่เนี่มใช่ค่ะถึือมันจะฆ่าคนี้ก็ยินดีให้ฆ่านะงั้นโยมไม่ตามไม่พอใช่ไหมเพราะโยมคงไม่ให้มันเข้ามาไม่หาที่อยู่องก็ไม่แน่ตอนนี้กาจะพูดไปก่อนแต่พอถึงเวลาให้การจริงมันก็อืก็เป็นไปได้นะพระอาจารย์เพราะมันเป็นพูดในสิ่งที่ยังยังไม่เกิดขึ้นอย่างนี้นะคะอื ม, อม บางทก็พ่อแม่ก็ยอมเล่าเป็นเวรกรรมของพ่อแม่ไปลูกเป็นเจ้ากรรมในเวรไปเ mm hmm. ยอชดใช้กรรมไป mm hmm. แต่ถ้าสมมติเรารับรับเข้ามาในบ้านอีกอย่างนี้ทั้งที่เคยจะประทุสไลายเราจะฆ่าเราอ่ะเท่ากับว่าเราจะส่งเสริมให้ลูกทําอนันตลยกรรมหรือเปล่าคะพระอาจารย์ส่งเสริมไม่ส่งเพราะมันเป็นเรื่องของความรัก mm hmm. ส่วนอนันตรย ก, กรรมเนี่เราไม่ได้เอามีดเอาปืนมาให้เขายื้ช่วยิงให้เราเ่ mm hmm. Mm. เราเมตตาเขาเราสงสารเขาก็ไม่มีที่อยู่อืมพอจะสร้างกรรมหรือยังไงก็สุดแท้แต่เขาอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าอยากสงสาร่ า, าเอาปืนไม้แล้วแม่แล้วก็ช่วยอิงแม่หน่อยสิอ๋อเป็นแนวอย่างนั้นไปอืมเราไม่ได้สงสรารให้เขามาฆ่าเรา mm. เราช่วยเขาเขาไม่มีที่อยู่อาศัย บ้าก็เหมือนานของเขาแ่ะตายไปเราก็จะยกให้เขาอยู่ดีไม่ใช่ห <c oughs> <c oughs> ร, ร, รือนีอ่ยเป็นเวรเรกรรมกองกรรมกองเกวียนเราก็ทํากับพ่อแม่เรามาเขาก็มาทํากับเราต่อแต่ถ้าเราไม่ให้เขาเข้ามาอยู่นี่ก็ไม่ได้แปลว่าเราขาดเมตตาใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่าเราเมตตาต่อ ต, ตัวเองของเราเนี่ยแปลว่าเราเมตตา ต, ต, ตัวเองอย่างเงี้ย เพราะเราก็เราก็ไม่ไม่ตามก็ต้องยอมล่าไม่ไม่ตามเพราะเราเพื่อป้องกันตัวเองเขาไม่ตาตัวเองมากเขาไม่ตาลูกเราอ่ะฮ่าฮ่่าฮาตอนนี้ถ้าเกิดในใจมันเตรียมจะฆ่าเราอยู่แล้วเราไม่รู้ว่ายเรายังไม่ตามันอยู่ใช่ไหม แล้วถ้ามันเป็นพ่อแม่คุณพ่อแม่ก็จะให้ เ, เรา ม, มันจะเล่นจะพี่ยาวให้มันโกรธแล้วมันทุบตีเราเท่าไหร่แล้วดูที่แจกคิดยังไงต่อไปเฝ้าเฝ้าตันหมนไม่ <c oughs> โอเคนะอันนี้อย่าไปทฤษฎีมากเลยดูความจริงแล้วกันหรือว่าอะไรจะมันจะเกิดแต่โยมที่ว่าถ้าโยมมาถ้าเป็นพ่อแม่โยมยอมแล้วทุกอย่างถ้าเป็นลูกมันก็จะอีกเรื่องหนึ่งอย่างเดียวค่ะแต่อันนี้คือแค่คิดว่าเฉย แต่ถึงเวลาจริงก็ก็อย่างว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะยังไงอะค่ะใช่คนมีปัญญาจะคิดอย่างเหมือนกับคนที่ไม่มไม่มีปรรัญญาอืคนมีปัญญาก็รู้จากแยกแยะคนไม่มีมปัญญาก็จะใ ช, ช้อารมณ์รักใครก็รักสุดๆเกลียดใครก็เกลียดสุดๆไปอโอเคนะ แล้วค่ะพระอาจารย์สุขภาพพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะพระอาจารย์เหนื่อยมากไหมคะช่วงนี้ค่ะ อ, อ๋อก็ไม่หรอกเห็นแต่ว่ามันก็มันก็รู้สึวกว่ามันก็เริ่อ่อนไปเรื่อยๆตามตามเวลาของมันอืแล้วค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ต้องไปหาหมออะไรอย่างนี้ไหมคะตามกําหนดหรือเปล่าคะเราเป็นหมออยู่แล้วเราไม่ได้หมอเราก็ดูมันอยู่ตลอดเวลาพยายารู้รู้ตัวเราดีเท่ากับก้าวของเราเอง ไปก็ต้องไปอธิบายไปเล่าให้หมอฟังเ อ, งอมเก็จะเหนื่อยอีกอเห็นไหมว่าเร า, า จ, จะรู้แต่เพียงเราไม่รู้จักวิธีรักษาเราก็ต้องไปหาหมอหนั้นที่เราไปยังพอรักษาเองได้ก็รักษาไปค่ะอือเราอยากจะให้พระอาจารย์อยู่กับลูกศิษย์ไปนานๆมนันเห็นแกตัวไหมคะพระอาจารย์เพราะว่าอย่างพอแม่ครูอาจารย์ท่านก็อายุมากท่านก็ต้องแบกท่าขันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะะอาจารย์ ถ้าเราต้องการเขาอยู่เพื่อเรามันก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะอืมอืมแต่เขาอยู่ไปโดยที่ไม่เราไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขาเลยก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวใชอืมเจ้าค่ะทั้งมันเถอไม่เป็นไรหรอทุกคนเดี๋ยวก็ตายกันหมดคิดอย่างนี้ก็แล้วกันอย่าไปซีเรียสกับมันมากกันไปตองวันอาจจะตายก่อนก็ได้กันะเด็กๆนี่ยใช่เขาค่ะอืม ก็ค่ะพระอาจารย์โยมีรบกวนพระอาจารย์เท่านี้ใช่ะโ okay, อเคขอขอบคุณทีเป็นหมอพิเชษต่อเป็หมอเจิญกลาวน้ำสการพระอาจารย์ครับของความเมตตาพระอาจารย์แนบายรอยร่วงของใจครับอาจารย์เอ่ารอยร่วงของใจใจก็เหมือนเหมือนตุ่มน้ำเนะ่ย ตุ่น้ำถ้ามันรั่วนี่เราเติมเข้าไปท้าหลายน้ํามันก็ดำเต็นไปที่ที่ไม่สักวันสองวันมันก็พร่องมันมีรอยรั่วใช่ไหมถ้าอยากจะให้น้ําที่เราใส่ไปมันไม่รั่วออกมาจากตุ่มเราก็ต้องไปอุดรอยรั่วรอยรั่วของใจก็คือตันหาความอยากความอยากเวลาเรามีความสุขเวลาไปเที่ยวไปกินไปเดินมาเรามีความสุขใช่ไหมอยากอยู่ยสักพักหนึ่งเอา เกิดความอยากใหม่ขึ้นมานะอยากจะไปใหม่ละอย่างพออยากว่าความสุขที่ได้มันก็หายไปละความอยากมันทําให้เรารู้สึกหิวขึ้นมาแทนแสดงว่าความสุขที่เราได้ามาจากการไปเที่ยวไปกินไปดืม่มคราวที่แล้วมันถูกวอยรั่ว ด, ดูดไปหมดมันไหนออกไปตามรอยรั่วถ้าอยากจะให้ใจเราอิ่มไปตลอดสุขไปตลอดโดยที่ไม่ต้องไปเติมอยู่เรื่อยๆก็อุดอุดรอยรั่วของใจก็คือเอา เราทำมามาอุดกิจอุดตัณหา อ, อุดลอยนวดก็ดตันหาเอาทานศีลธรรนามาอุดลอยลอยนวดพอเรามีปฏิบัติทางศีลธรรนามันก็จะมาอุดลอยด้วยหยุดตันหาความอยากต่างๆพอหยุดตันหาความอยากต่างๆมันก็ไม่หิวอีกต่อไปมันก็อิ่มไปตลอดมันสุขไปตลอดน ใ, ใจของพุทเจ้าใจของพระอรหันต์เนี่ยท่านอุดลอยนวดสามลอย การมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้ในการปฏิบัติทานสิงภาวนาใจเราเหมือนตุ่มน้ําให้เปรียบเทียบถ้าตุ่มน้ําถ้าไม่มีรอยร่วเราเติมทีเดียวเต็มมันก็จะเต็มไปตลอดใช่ไหมแต่แท้เติมแล้วพรุ่งนี้กลับมาดูอ่ะหายไปไหนว่าน้ำํำก็นำคนหาดูแลใครมาเอาไปหรือเปล่าถามคนแล้วก็ไม่มีใครเอาไปอย่างนั้นเรา ตัวดูที่ตูมเนี่ยมีรอยรั่วปะอา้าวมีรอยรั่วอยู่สามรอยเรไปหายามาอุดจนะ้ะก็มีอีพ็อกซี่มีอะไรต่างๆสมัยนี่สามารถใช้อุดรอยรั่วต่างๆได้ธรรมะก็คือยาที่มาอุดรอยรั่วยาที่มาหยุดความอยากพอความอยากหมดไปกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหมดไปใจก็จะไม่มีรอยรั่ว พอทำอะไรให้ความสุขกับใจมันก็จะอยู่กับใจไปตลอดนใจพระเจ้าใจของป้าหลานนี่ไม่ไม่ต้องคอยเติมความสุขยังรเรื่อยทำให้มันเต็มทีเดียวแล้วก็จบไม่ได้หดรายดื่นความสุขมันก็เต็มขึ้นมาเองความอยากนั้นเองมันเป็นตัวทําให้ใดหิวพม่หิวแล้วมันก็มันก็ไม่สุขมันก็ไม่อิ่ง ม, มันก็ไม่พอ ต้องหาหามาได้เท่าไหร่มันก็ไม่เอ็นไม่พอเพราความอยากมันมันอยากอยู่เรื่อยๆมันมันสงบตัวช่วงที่เราไปไปเที่ยวใหม่ๆเวลาไปเที่ยวไปกินไปเดินดังนั้นความอยากก็หายไปชัว่วคราวอย่าพอสักพักหรืออากลับมาแล้วอยากไปเที่ยวแนละ้วอยากจะไปกินไปเดินอยากไปดูไปฟังอีกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดเป็นเป็นวงจรของมัน หิวอยากก็ไปเติมสิ่งที่ตอนหิวตอนอยากมาพอเติมเต่มก็รู้สึกอิ่มรู้สึกสบายไปทักพักเลอเดี๋ยวทักพักหิวอีกละอยากอีกละตัวที่ทำให้ใจไม่อิ่มไม่พอก็คือตัญหาความอยากพอหยุดความอยากได้ด้วยด้วยทานศีลภาวนาปั๊บมันก็มันก็อิ่มไปตลอดมันไม่หิวต่อไป เพรตัวหิวมันถูกทำลายไปหมดนะพอใจไม่หิวมันก็อิ่มนะคนเราก็มีสองอย่างไงเวลากินมันก็อิ่มเวลาหิวมันก็ไม่มันก็ไม่อิ่มเราทาให้มันอิ่มแล้วมันก็ไม่หิวแต่มันไม่หิวชั่วคราวไม่เหมือนกับใจเนี่ยถ้าทําให้มันไม่หิวแล้วมันไม่หิวไปตลอดนะเ่ปฏิบัติทานศีลภาวนา ตัวที่จะมาจัดการกับตัวความอยากได้ก็คือปัญญาปัญญาเราเห็นตายลักเห็นนั้นนิจทุกขังอนัตตาในสิ่งที่ใจอยากได้อยากมีอยากเป็นเยเห็นว่ามันเป็นตายรักมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพมั น, เ ป, นเป็นของชั่วค่าวให้ความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปความหิวก็เกิดขึ้นมาใหม่ <c oughs> พอเราไม่พอเราหยุดความอยากได้ใจก็อิ่มขึ้นมาทันทีเพราะตัวที่ทําให้หิวมันถูกกำจัดไปนี่คือลอยล้วนสามลอยการว่าตณาัณหาเพราว่าตณาัณหาไม่เพราว่าตณาัณหาที่เมื่อกี้พูดถึงกับคุณคุณคุณผู้หญิงเมื่อกี้นี้ก็พูดแบบการว่าตณาัณหาเพราะว่าตณาัณหาไม่เพะว่าตณาัณหาตัวที่ทําให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหมียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่เรื่อยเลย พอ <c oughs> ไม่มีความอยากทั้งสามแล้วก็ไม่มีการอยากรรมาเกิดดินไหวตายเกิดเลกต่อไปใจอิ่มใจสุขตลอดเวลาไม่ต้องมาคอยเติมการมาสุขหรือหรือความสุขาจากฌานจากรูปฌานหรือรูปฌปานอย่าพยายามตัดความอยากไปเรื่อยๆเวลามีความอยากก็ <c oughs> หมันถามว่าจาเป็นไหยจําเป็นต้องมีไหมไม่มีแล้วจะตายไหยถ้าไม่มีไม่ตายก็ไม่ต้องไม่ต้องไปทําัไม่ต้องไปทําตามความอยากอันไหนถ้ายัางจําเป็นอยู่ก็ทําไปเช่นไม่กินข้าวนี่ถึงเวลากินข้าวก็ต้องกินนะถ้าไม่กินก็ตายได้ตรงนี้ก็ต้องกินกินเพื่อร่างกายแต่ไม่ได้กินเพื่อใจทําเพื่อร่างกายเข้าใจแล้วคุณหมอเข้าใจมากขึ้นมากครับอาจารย์ กลับกับบางคนอย่างสูงครับนะทุกไปที่สันโดษสันโดษเนี่ยยินดีตามมีตามเกิดตัดกระแสของความอยากด้วยด้วยความสันโดษไม่ต้องมาอยากได้อะไรก็พอพอใจกับสิ่งที่มียินดีกับสิ่งที่ได้รับพระอาจารย์ก็ทํ <c oughs> ำตามคาสั่งพระอาจารยนะ์คริสต์มาสปีนี้ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไร ยังพูดถึงคริสต์มาสอยู่ถ้าไม่ข้ามาก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดถึงวันใดเล ย, เลย ไ, มไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยไม่ได้ตั้งใจครับอาจารย์แต่แขวนถุงเท้าไว้หน้าห้องนอนนะครับอาจารย์แต่ยายไม่รู้นะคะไม่นั่นอะไรไม่รู้เรือ่องนะคะทำไมที่บ้านก็มีซันน์ตะก้นเหมือนกัน เขาซับซ้อนซ่อนเงื่อนครับผมเขาบอกว่าปีนี้ไม่เซนต้าไม่มานะแต่พอถึงเวลาก็มาก็เลยเหมือนหลอกให้ตายใจครับอาจารย์ก็เลยว่าตอนได้ตัดกิเลสได้แลแน่เลยพอหลังเออไม่ตายเนาะพ่อกบแม่ใช่กับยายย่าไม่รู้ไม่แน่นอนธรรมดาครับอาจารย์วันนี้เข้ามากับอาจารย์ครับแล้วก็รายงานการปฏิบัติเช่นเคยครับอืม S <S ไม่อยากจะมีความสุขเราต้องเป็นสันตะคอร์สเองเราต้องเอาของไม่แจกคนยากจนนะแต่ก็ปฏิบัติตามคำสอนอาจารย์แล้วก็ใช้หลักยอมหยุดเย็นยิ้มชีวิตก็มีความสุขมากครับเราก็สันโดษของเรา <laughs> สมัยก่อน<ม>ตอนที่พระจัาให้ชื่อนี้มาต้องยอมรับว่าผมยัง ม, มองตัวเองสันโดษไม่ค่อยได้แต่นีได้แล้วเลยเดี๋ยวนี้เริ่มได้แล้วยังขอนู่นขอนี่อยากพ่อแม่อยู่บ้าเออเขาเอามาให้เองอเราเราไม่ได้เป็นรบเล้าอะไรแต่เราก็มีแอบใบเขาว่าเออแต่ถ้าจะซื้อมาก็ซื้อแบบนี้แบบนี้มานะเอ่ก็ยังไม่สันโดษจริงเลย อคืออย่างนี้ครับอาจารย์ที่ที่ต้องไกดอย่างนั้นเพราะมันเป็นของที่แบบว่าเ อ, อสมมุติเราขอให้เขาซื้อหนังสือซื้ออะไรให้เ อ, อเราได้ใช้ประโยชน์แต่ถ้าเขาไปซื้อของอย่างอื่นมาเรากลัวเราไม่ได้ใช้มันไม่เป็นประโยชน์นะมันจะก็ <c oughs> ครับผมรอาจารย์แล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติก็พยายามนั่งสมาธิเ อ, อสร้างพลังจิตไปเรื่อยๆแล้วก็พิจารณากายทุกวันครับสวดมนต์ แต่อย่าขัดตาสติทุกวันอาการ32จัดกิดแก่เจ็บตายด้วยนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราต้องทำข้อสอนไปได้นะความแก่ความเจ็บความตายคุณยานี้ใจความแก่แล้วเป็นไงทุกข์ไมไม่ทุกข์แ่มาเฉยๆอย่าน้ยวนมาอ่ะยายรู้ค่ะว่าควรจะเป็นอย่างนั้นเมื่อถึงเวลาแล้ว ไมทุกกับร่างกายนะั้นมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปอยู่กับมันไปเดี๋ยวเจ็บเดียเจ็บเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าไปทุกกับมันห้ามันไม่ได้มันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องก็ต้องเจ็บปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปงั้นแค่ ไม่จริงจ้าอย่าอย่ า, อ ย, า, อ, ย า, อ, ยาอย่าไปทุบ ก, กันนะนใจเฉยเฉยใ ย, ยินดีพร้อมที่จะแก่พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตายจ้านะเวลาเวลาแกป่วยเข้าโรงพยาบาลทีไรนะแกกลัวตายตลอด เจ็บแขนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจ็บให้เจ็บไปเลยอะไม่ไม่นม่ไม่ว่าแกบอกว่าแกบอกว่าแกอยากแบบเออให้มันตายแบบนอนหลับตายไปเลย<ด><ด>อย่างเงี้ยแต่แกบอกแกไม่อยากมานั่งใส่สายระ ย, ยงระยางนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนแกบอกแกไม่เอาผมเลยบอกแกเลือกไม่เอกบุญญายเลือกไม่ได้นะก็สั่งได้เนี่ยถ้าเราไม่อยากจะรักษาเราสั่งไดไม่ต้องพาชัดไปโรงพยาบาล น, นะอืม อนี้ไม่ไม่บาปหรไม่รักษาตัวเองไม่บาปครูอาจารย์ถ้ารู้ว่ารักษาไปกบเร็วกว่าการไม่รักษาก็าไปรักษาทําไมไปไปสร้างความท ร, รมานไปยืดความท ร, รมานให้มันยาวขึ้นไปทำไมทุกให้มันตายไปเร็วๆไม่ดีกว่าไหมคะจะอยากได้อย่างนั้นนะคะก็ไม่ต้องมาโรงพยาบาล แต่เจ้าต้องพาไปฮก็ต้องพาไปทุกครั้งฮะคนนี้รีเควสขอไปทุกครั้งเขาบอกผมแล้วตอนที่ยังปกติเวลาดูพระอาจารย์ทางทีวีนะเพราะปกติเขาจะดูพระอาจารย์ทางทีวีเขาก็จะบอกว่าเออยายไม่ไปโรงพยาบาลแล้วนะถ้ามีอะไรก็ให้ยายนอนตายไปเลยพอถึงเวลาท้องเสียนิดนึงบอกพาไปโรงพยาบาลที แล้วอะไรผมเริ่มงงแล้วอาจารย์ไม่รู้ว่าสรุปคือจะให้ยื้อหรือไม่ยื้อหรือยังไงเพราะแค่ท้องเสียยังต้องไปโรงพยาบาลอะไรรักษาได้ก็รักษาไปเลย้อ <c oughs> งเสียมารักษาได้ก็รักษาไปอันไหนที่รักษาไม่ได้ก็กไม่ต้องรักษาเหมอนไม่ควรจะยังไงนะไม่ควรจะทําำก็อย่างนั้นด้วยสึ่งท <c oughs> ่านนะคะโอเคทําใจให้สงบก็แล้วกันอ ะ, อะไรจะเกิดกับร่างกายเราก็ห้ามมันไม่ได้ โอเคนะไว้เดี๋ยวหาโอกาสไปกราบพระอาจารย์แล้วไปฟังธรรมที่วัดนะคะอ่าสาบุ้วจานะรับพระอาจารย์ถ้าแข็งแรงครับอ่าคุณจุ๊บโกเบนมาสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะมายังไงมีอะไรไหมอาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์บอกให้หนูลองไปเข้าป่าดูว่ากลัวตายไหม หนูอยู่ที่ปุ่นนี่คือบ้านหนูอยู่บนเขาค่ะพระอาจารย์เพราะฉะนั้นจะเข้าป่าเมื่อไหร่ก็เข้าได้ค่ะหนูก็เลยลองไปเข้าดูอ่ะค่ะพระอาจารย์มันปกติมันจะเป็นป่าที่ว่านักปีนเข า, านักเดินเดินเขาเขาจะเดินผ่านประจําอยู่แล้วอะค่ะพระอาจารย์อหนูก็ลองเข้าไปดูก็ขอสามีขอที่บ้านไปอะไรเงี้ยค่ะแต่แว่าไม่มีสรัรว์ลายอะไรใช่ไหมมันถ้ามีก็จะมีเป็นพวก อหมูป่าค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าหมีนี่ไม่มีค่ะพระอาจารย์คือใหญ่ตัวนี้คือหมูป่าสิงสารสัตไม่เคยมีก็คือตอนนี้หน้าหนาวใช่ไหมคะพระอาจารย์งูนี่คือรู้แน่ๆว่าไม่มีไม่มีไม่มีงูแล้วก็เห็ดเห็ดกับทากก็คือตอนนี้ไม่มีค่ะถ้าสมมติอากาศอุ่นกว่านี้ก็คือหนูคงไม่เข้าไปเพราะหนูก็กลัวงูน่าจะคงมีแน่ๆถ้าสมมุติหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้หน้าหนาวเนี่ยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยเข้าไป ก็เข้าไปลึกอยู่เหมือนกันค่ะพระอาจารย์เราไปหาเอาเสือไปเอาเสือเล็กๆอ่ะค่ะเอาไปนั่งลองไปนั่งสมาธิดูค่ะพระอาจารย์ก็ดีมากเลยก็คือพระอาจารย์คะนั่งสมาธินี่เราไม่หลับตาได้ไหมคะไม่หลับตามันก็ไม่เข้าข้างในแต่มันก็ไม่ก็คือพอเราไปถึงตรงนั้นมันมันเงียบมากเลยค่ะพระอาจารย์มันจะมีแต่เสียงนกก็ต้องปลงเลยปลงอะไรจะเกิดก็เกิดพอมีเสียงนกปุ๊บคือหนูจะนั่งนั่งหลับตานี่หนูแบบ มันกลัวมันหลับตาไม่ลงนั่นหละกลัวกลัวจะไม่เห็นสัตว์ร้ายที่อยาจจะเข้ามาทำร้ายเราอ๋อแล้วแล้วพระอาจารย์คะหนูเคยไปอ่านมาอ่านที่ไหนสักอย่างอ่ะเขาบอกว่านั่งสมาธิเนี่ยไม่จําเป็นต้องหลับตาก็ได้หนูก็อืมหรือว่าเราไม่ต้องหลับตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ต้หลับต้องหลับแล้วมันจิตมันไม่สงบหรอบมันก็จะมองอยู่เรื่อยมองเห็นโน่นนี่มันก็ปุงแต่งไม่เรื่อยก็คือตอนแรกตอนแรกหนูก็ไม่หลับตาค่ะประมาณ ประมาณสามสบนาทีได้นี่คือไม่หลับตาเพราะว่าเราเร า, เ ร, าเราแวงไงคะหูมันจะได้ยินเสียงชัดมากเลยคะ่ะพระอาจารย์เสียงอะไรนิดๆหน่อยๆมันจะได้ยินหมดเลย ค, ะคะ<ร>่ะพระอาจารย์แบบมันมันเราแวงมันเหมือนมีสติเพิ่มขึ้นเราต้องปรองมาเมื่อเกิดก็เกิดเราไปเพื่อปรองนะเราเราจะได้เราจะได้ไม่ต้องไปกังวลเราก็อยู่กับพุโทโธอยู่กับลงไป อย่างใดอย่างหนึ่งพุโทโธก็ได้นมก็ได้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องร่างกายไปเนี่เพื่อไปปลงร่างกายไปปล่อยร่างกายเพราะอยู่บ้านมันรู้สึกว่ามันมันปลอดภัยมันก็ไม่มีอะไรจะมาให้เราตรงมันต้องไปอยู่ที่ที่มันอาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายได้แล้วเราก็จะต้องเลือกระวังปลงก็ไม่ปลงปล่อยหรือไม่ปล่อยปล่อยก็หลับตาไปอยู่กับพุโทโธไป มันนั่งกายจะเป็นจะตายอันนี้ก็เรื่องของมันไปนะะคตอนตอนที่หนุนั่งช่วง30นาทีแรกนี่คือไม่หลับตานะคะแต่พอนั่งนั่งไปมันก็เริ่มแบบเออหลับตาดีกว่าเพราะปกติก็เราก็หลับตาใช่ไหมคะพอหลับตาปุ๊บเนี่ยมันเห็ น, ม, น, หนมันเห็นตัวเองเลยว่าพอหลับเราหลับตาเนี่ยมันมีความคิดขึ้นมาคะ่ะว่าเฮ้ยถ้าสมมติ คือพพเพลินตรงที่จุดที่หนูหนั่งเนี่ยหนูเลือกนั่งก็คือข้างหน้ามันจะเป็นเป็นเหวลงไปแล้วเป็นลําธาร น, น้ำมันเป็นเป็นแบบเขาลงไปแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเขาขึ้นไปขึ้นขึ้นไปข้างบนอีกก็คือจะด้านหลังก็จะไม่ไม่ไม่ไมี ม, มีเหมือนมีก้านมีเป็นเป็นดินก้านน่ะค่ะผ้าจารย์แล้วหนูก็แบบนั่งหลับตาแล้วมันก็มีความคิดขึ้นมาว่าเอ้ยถ้าสมมติเกิดมีแมวป่าสมมติคิดอะไรก็ไม่รู้แมวป่าขึ้นมาจ้องมาอยู่ข้างหลังแล้วเกิดม กระโดดมากัดคอเราทําไงนะอะไรอย่างเงี้ยมันคิดป เ, เป็นปีเลื่อยเปื่อยเลยค่ะพระอาจารย์แต่ก็พยายามพุดโทค่ะพยายามว่าไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจหลัก ต, ต, ตาหลักตาอะไรเงี้ยก็ฟังเสียงแต่ยังไม่ยอมตายยังไม่ยอมปลอมไม่ยอมทำแล้วร่าก็มันจะไม่ตายเลยบางทีอยู่ที่บ้านปลอดภัยมันก็ตายได้นะวันหนึไม่วันเีนเ้ มันถึงเวลามันตายแล้วทุกแห่งทุกคนเ่าไปนี่เพื่ไปเพื่อให้มันตายปล่อยใจเราไปปล่อยให้มันกลับไปเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับมันอยู่กับมันอย่างสบายแต่ถ้ายังไม่ยอมให้มันตายก็ต้องไปทุกข์กับมันไปเรื่อยๆก็ะจะกลัวตายไปเรื่อยๆค่ะก็คือหนูก็รู้ค่ะว่ายังไม่ผ่านก็นั่งไปเรื่อยๆสิค่ะพระอาจารย์นั่งไปจนจนคือถ้าสมมุติเราขยับตัวนิดนึงอะ่ะ นกจะไม่อยู่นกจะไม่มาใกล้เราแต่พอเรานั่งนิ่งมากๆเสียงนกมันจะมาใกล้เรื่อยๆมามาอยู่ตรงหัวตรงแถวๆเอ็นเรื่อยๆเล ย, อเลยค่ะอาจารย์มันก็อาจจะคิดว่าเราเป็นเหมือนต้นไม้ไปมันก็เลยไม่เกลียแล้วแล้ ว, ล ว, ลวตอนที่หนูนั่งสามสินาทีแรกที่ไม่หลับตาเลยอะ่ะก็คือเราก็นั่งนิ่งๆมองออกไปอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมหนูเห็นกระลอกได้สักค่ะกระลอกวิ่ ง, ว, งวิ่งแบบวิ่งข้า ม, มตรงเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตที่ว่าเป็นกระลอก ที่อยู่ในป่าพระอาจารย์สีดำหรือสีน้ําตาลหรือสีขาวตัวเล็กๆสีดำค่ะพระอาจารย์สีดำค่อืม ก, ก็ก็ดีค่ะพระอาจารย์ได้ประสบการณ์จริงๆวันนี้หนูก็จะไปอีกนะคะพระอาจารย์อ่อเราไปแล้วก<ต>็ไปปงเลยไม่ต้องกลัวยอมตายอะไรจะเกิดก็เกิดคือปองได้เป่ะถ้าปองได้แล้วใจจะสงบเลยจริงๆวันนี้หนูจะเข้าไปอีกค่ะพระอาจารย์กะว่าวันนี้จะเข้าไปลึกกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ขอสามีแล้วอะไรยเงี้ย เขาก็บกไม่ให้เข้าละไม่ให้ไปเพราะว่าตอนที่วันที่หนุกเข้าไปเนี่ยหนูกก็ถ่ายถ่ายวิดีโอไปด้วยตอนที่เดินเข้าไปนะคะเดินเข้าไปแล้วก็เอาไปให้เขาดูแล้วก็อัปลงในเฟซบุ๊กของหนูให้ให้เพื่อนดูด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนแต่ละคนมากดแบบเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงทั้งนั้นเลยบอกว่าไม่อันตรายหรออะไรอย่างเงี้ยแบบน่ากลัวไปเข้าไปได้ยังไงมีแต่คนเม้นมาอย่างงี้ทั้งนั้นเลยเจ้าค่ะอืมกดเป็นห่วงเป็นห่วง ไม่กลัวตายแน่นเล ย, ลยไม่มีใครไม่มีใครอ น, นุโมทนาสาธุเลยก็ <c oughs> <c oughs> ก็มีคนนะคะคนถ้าถ้าคนที่มากดแบบกดเออกดหัวใจให้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ปฏิบัติเหมือนกันค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าเป็นเพื่อนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะแบบเฮ้ยเข้าไปได้ยังไงไม่กลัวหรอทําไมถึงเข้าไปแล้วเป็นผู้หญิงคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะออันตรายนะให้ระวังด้วยนะอะไรอย่างเงี้ย คือเราต้องไปเพื่อพิชิตความกลัวใจไ่ไหมเป้าหมายคือการไปพิชิตความกลัวจะาหายกลัวก็ต้องยอมตายนะมายอมตายแล้วก็จะห้กลัวทีม่มันกลัวเพราะมันไม่ยอมตายมันอยากอยู่มันไม่อยากตายพอเคุณงได้เข้าไปครั้งแรกจริงๆเป็นป่าจริงๆก็เข้าใจว่าอ๋ป่ามันเป็นอย่างนี้เองมันไม่มีใครมาแบบถ า, ถางย้งถางหญ้าทางเข้าก็แค่แบบ ถ้าสมมติเป็นหน้าร้อนนี่คือนัน่นแน่นอนต้องมีงูแน่นอนนะคะแต่พอดีตอนนี้มันเป็นหน้าหนาว<ม>พอไม่มีงูนี่คือหนูก็ไม่ไม่กลัวค่ะพระอาจารย์งูว<ม>ันนี้ไปไหนหมดเลยมันา ม, ามันหนาว ม, มันก็เข้าไปอยู่ในรูมั้งคะพระอาจารย์ก็ก็ดีค่ะ<า>ได้ประสบการณ์ชีวิตแ อ, <ๆ>อย่างน้ยก็มีความพยายามไปไปเรื่อยๆเดี๋ยวทั้งวันนี้ต้องชนะเองไอพิชิตความกลัว หนอก็จะพยายามปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์เราคิดว่ายัางไงแล้วก็ต้องตายอยู่ดีเนี่ยขอให้ตายแบบไม่กลัวไม่ดีกว่านะ <c oughs> ตายหนงเดียวแต่กลัวมันกี่ร้อยหนนร้อยพันหนนกลัวมันทุกวันกลัวอย่างนั้นเนะ่ยพอยอมพอยอมตายปัาบมันจะหายกลัวเลย <c oughs> มันจะเลิกกลัวเลย <c oughs> มันอรู้สึกยเบาสบายไม่ต้องมาห่วงร่างกายต่อไปก็ค่ะ ก็เดี๋ยวหนูจะหาโอกาสไปอีกแต่ว่าถ้าไปนี่คือหนูคงไม่บอกที่บ้านค่ะพระอาจารย์ AN เพราะว่าวันนี้จริงๆหนูจะเข้าไปแล้วพอบอกเขาเขาก็ไม่ให้เข้าไปแล้วไปคนเดียวอะไรเงี้ยพอบอกว่าทั้งนั้นไปด้วยกันสี่เขาก็เขาก็ไม่ไปอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็จะห า, ว, ะานนะว่าเราบ้าเนะใช่ครับอาจารย์ทั้งโลกกัทํานทำเป็นคนละาคือคือตอนนี้หนูหนูคิดเลยในเฟซบุ๊กเพื่อนหนูที่ที่เข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแบบ หาล้นหายที่แกวงเท้าหาเสี้ยนอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องมีคนคิดแน่นอนสุดตรงไว้หรือเปล่าอะไรก็ใช่ใช่สบ้าหรือเปล่าใช่ต้องมีคนคิดแน่นอนค่ะของนี้ต้องอย่าไปทําให้คนเขารู้เดี๋ยวมัใจะ่าของเรื่องส่วนตัวแบบนี้ไม่ควรจะบอกใครนะคะต่อไปถ้าอย่างนี้หนูก็จะไม่โพสแล้วค่ะคือ เข้าไปครั้งแรกมันก็แบบเหมือนเอ๊ะมันเป็นอย่างงี้นะก็อยากให้ให้ทุกคนเห็นว่าเออในป่านจริงๆเป็นอย่างงี้นะอะไรอย่างเงี้ยการปฏิบัติจริงๆไม่ต้องการที่จะไปบอกใครมันเป็นส่วนตัวเพราะเรารู้ว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีคำว่าเห็นด้วยทั้งเห็นด้วยทั้งไม่เห็นด้วยวุ่นวายไปกันหมดมีแต่คนเป็นห่วงเทียบเลยค่าจารยใช่ไม่ดีก็เป็นห่วงเราจะเป็นบ้าหรือเปล่าใช่ ก็ต้องมีคนคิดแน่นอนเจาา้าค่ะพอาจารย์มีแน่นอนมีแต่คนอยากอยู่นีออ่อยากตายอยากตายอืมไม่ได้อยากตายแล้ยคือยอมตายอยากตายก็ยอมตายมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมอะอยากตายต้องไปหาปืนหาอะไรมาเตรียมตัวจะฆ่าตัวเองให้อยากตายตยอมตายก็คือยอมรับความจริงวันหนึ่งร่างกายต้องตายถ้าจะเป็นวันนี้ก็ยอมให้มันตายไปยอมตายมั้น ไม่เหมือนกันน ะ, ะเข้าใจไหมยอมตายกับอยากตายนี่ไม่เหมือนกันนะแล้วค่ะก็หนูอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่มันก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดคะะ่ะอาจารย์อย่างแต่ถ้ามีใต้ฝุ่นมานี่ะเราพอจะกะดาวได้ใช่ไหมเจ้าคะแต่ถ้าแผ่นดินไหวมานี่คือเราไม่รู้เลยคะะ่ะอาจารย์นึกจะมาก็มาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่เรื่องอาชญากรรมไม่ค่อยมีเลยฮะผู้หญิงอยู่เปลี่ยวๆคนเดียวก็ไม่ไม่เป็นไรฮะไม่มี S <S มันก็ไม่แน่ค่ะเพราะช่วงนี้นะคะพระอาจารย์มันมีข่าวที่ว่าไปก็ได้อยากฆ่ายเนี้ยค่ะก็คือถือมีดไปไปเสียบเลยอย่างเงี้ยค่ะมีข่าวตอนในช่วงนี้แล้วพอมีข่าวเกิดขึ้นครั้งเกิดขึ้นรายหนึ่งมันก็จะมีเหมือนแบบเป็นพฤ ต, ติกรรมเรียนแบบ อ, อีกไป<า>ก อ, อีกใช่ค่ะพระอาจารย์อย่างที่เมืองที่หนูอยู่ที่เมืองเฮียวโกเนี่ยค่ะโกเบเนี่ยค่ะอย่างช่วงก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวที่ว่าอ่คนผู้ชายเขาไป เอามีดไปเสียบเด็กผู้หญิงผู้ชายที่เลิกเรียนพิเศษอะคะ่ะเสียบในแมกโดนัลอะไรเงี้ยค่ะแล้วเด็กเขาตายไปแล้วปรากฏว่ามันก็มีถัดไปไม่กี่วันอะเมืองหนูอะแบบค่ะแบบก็เรียนแบบเป็นคนแก่ไปเสียบคนตรงอยู่สถานีรถไฟซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเงี้ยค่ะมันก็น่ากลัวค่ะอย่างเงี้ยเพื่อนหนูเขาก็เลยแบบเป็นห่วงหนู ที่ว่าไปในป่าแล้วบอกถ้าเกิดยิ่งไปในป่าไม่เจอใครแล้วถ้าเกิดไปเจอคนแบบนั้นขึ้นมาทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแต่คนเป็นห่วงตรงนั้นเลยค่ะอาจารย์ก็ยอมตายไง <c oughs> ก็ต้องมายอมตายถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้มันก็มันก็ไปก็ไม่ไม่ไม่มีความกลัวก็ไม่ต้องไปเลหรือว่านี่ป่า <c oughs> ที่ไปแง่พเพื่อให้ไปให้เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วจะได้พิชิตความกลัวได้อืม แต่ตา ป, ปกติก็อาชญากรรมที่ญี่ปุ่นไม่ไม่ไม่ไม่มากเหมือนบ้านเราใช่ไหมก็ไม่มากค่ะพระอาจารย์ก็คือนานๆจะนาทีแล้วก็ถ้ามาก็คือจะเป็นอย่างแนวเนี้ยค่ะคือใช้มีดเสียบเป็นแนวเนี้ยค่ะขโมยขโมยไม่ค่อยมีขึ้นขึ้นบ้างกันเท่าไหร่ถ้าขโมยนี่คือหลังๆในช่วงช่วงเนี้ยค่ะที่แบบเขาเพิ่มเหมือนค่าของชิมันแพงขึ้นเงินเดือนเพิ่มนิดเดียวแต่ว่าของของคินของใช้นี่มันตัเพิ่มขึ้นเหมือนกับว่าแบบ แถบคันโตหนูอยู่คันไซค่ะแถบคันโตนี่จะมีเห็นเพื่อนที่อยู่แถบคันโตเขาก็แบบพูดว่าเนี่ยมีขโมยขึ้นเยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ขโมยเข้าบ้านส่วนใหญ่เขาจะจ้องคนแก่ที่รวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพรอาจารย์ก็ ม, ม, มีเหมือนกันค่ ะ, คะ<ม>นี่ค่ะคือมีช่วงเนี้ยค่ะช่วงแบบที่เศ ร, รษฐกิจไ่ดีเนี่ยค่ะค่ ะ, คะส่วนใหญ่เขาเหมือนขอโทษน ะ, ะส่วนใหญ่เขาเหมือนจะแบบเหมือนแบบมีเป็นแก๊งแล้วไปไป รับสมัครงานเหมือนงานอารไบายโตงงานงานพาร์ทไทม์ให้แบบเรียกแต่เฉพาะเด็กเด็กที่อายุน้อยกว่า20อะค่ะเพราะว่าถ้าสมมติเกิดจับได้ขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยไอเขาเรียกว่าอะไรเงียผลไอเขาเรียกว่ากฎหมายเอาผิดเขามันมันเบาใช่ค่ะมันก็มีเด็กไปทำอย่างเงี้ยเยอะอยู่เหมือนกันนะคะพอาจารย์เป็นแก๊งเลยอะค่ะภรอาจารย์ก็นกลัวอยู่ก็เศรษฐกิจไม่ดีค่ะะอาจารย์ช่วงนี้ เป็นกันทั่วโลกนะคะใช่ต้องเงินไม่พอใช้ก็ต้องไปขโมยกันต้องดูแลรักษาตัวลแล้ว ก, กันนะที่จะไปทำนี่เป็นถือว่าเป็นกรณีพิเศษไปไปทำข้อสอบอแต่ติเ ก, ก็ต้องระมัดระวังนไม่ใช่ประมาณแล้วค่ะสรุปก็คือสมาธินี่คือไม่ลืมตาไม่ไม่ ไม่ควรใช่ไหมคะคนหลับตาใช่ไหมคะที่าอาจารตามื่อเห็นโน้ตเห็นนี่จิตมันก็คิดปรุงแต่งไปกับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราต้องไม่ต้องการให้จิตคิดปรุงแต่งมันก็ต้องไม่ไปรับรู้อะไรเลยรูปเสียงกลิ่นเราให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวค่ะคแล้ อ, อยู่กับลมไปอย่างเดียวส่วนร่างกายนี่ปล่อยมันไปอะไรจะเกิดก็ถือว่าเป็นอ น, นิจจังทุกขงกังแล้วนั้นตาไป ถ้า อ, อยากจะหายกลัวก็ต้องก็ต้องก็ต้องปล่อยร่างกายไม่อะไรจะเกิดก็เกิดที่ไปนั่นก็เพื่อไปปล่อยร่างกายยอมตายยอมหยุดเย็นยามตายแล้วจิตก็จะหยุดต่อต้านหยุดต่อสู้ปล่อยจิตไม่ต้องต่อสู้จิตก็จะเย็นสบายค่หนูะจะพยายามต่อไปค่ะนี่หนูจะลองหาวันอีกสักวันหนึ่งไปลองเข้าไปดูก็จะไม่บอกใครแต่ว่า จะกด GPS ที่นาฬิกาไว้เจ้าค่ะเกิดมี <c oughs> อะไก็ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ยอมอยู่ดีใช่ไหมคะจดก ด, กดไว้ถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาจริงๆหหรือ เ, เขาหาเราไม่เจออย่างน้อย <c oughs> มันก็จะมีเป็นรีคอร์ดว่า GPS เราหยุดตรงถึงจุดนี้นะเป็นจุดสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ น, นี่เป็นเรื่องไ ม, ไม่ไม่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญก็คือเราต้องการไปพิชิตความกลัวใช่ <c oughs> อไปพิชฌกุฏจะจะเข้าไปอีกครั้งค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าพอเข้าไปแล้วว่าอากาศดีมากแล้วก็รู้สึกถึงความสงบมากๆเลยเจ้าค่ะเสียงอะไรที่เราไม่เคยได้ยินในชีวิตมาก่อนก็ก็ได้ยินเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุค่ะขอบขอบพระคุณเจ้าค่ะไปที่คุณนิสา l ออต่อคุณนิสาวันนี้อาจจะพูดเรื่องเลเทนหน่อยนะ ขออนุญาตโยมไม่ไม่ถึอสาไม่เป็นไรค่ะคุอาจารย์กลับนมัสการค่ะพุณอาจารย์อ่าทิตย์ที่แล้วลูกก็ไม่ได้เข้าห้องค่ะพระอาจารย์หนีไปค่ะไปถูกทางโลกค่ะคุณอาจารย์ก็อาทิตย์ที่แล้วก็หนีไปปัมสปริงค่ะคุณอาจารย์สามวันค่ะอาจารย์ช่วงนี้ไม่ช่วงนี้ไม่ร้อนปามสปริงรอนไหมไม่ไม่ร้อนค่ะอากาศอากาศดีค่ะพุณอาจารย์ไม่ร้อนค่ะ มีนิดหน่อยตอนกลางวันนะค ะ, คะอาจารย์ก็ไว้ห ล, หลบความหนาววันน่ะค่ะส่วนใหญ่ใช่ค่ะมันมันเป็นเมืองแบบสําหรับคนที่เขาแบบใช่บางทีคนคนอายุเยอะแบบคนรีไทยก็มีอ ค, ค่ะอาจารย์เพราะว่าอากาศมันจะช่วงหน้าหนักวคนก็จะหนีมาที่นี่กันเยอะค่ะเพราะมันไม่ร้อน ค, ค่ะอาจารย์ไม่ร้อนก็ไม่หนาวมากแต่ตอนกลางคืนก็ก็หนาวนะค ะ, ะค่ะ แต่ว่ากตอนร้อนหน้าร้อนนี่อยู่ไม่ได้มันร้อนมากค่ะอาจารย์พอดีมีแบบเพื่อนแฟนเขาเขาไปัเขาไปตีกรอบกันนะค่ะอาจารย์แต่จริงๆรู้ไม่อยากไปแต่ว่าเหมือนเขาบังคับค่ะพระอาจารย์เขาจองให้ทุกอย่างเขาก็อยากให้ไปอะคะ่ะอะไรเงี้ยก็เสียไม่ได้ก็เลยไปเจอพุดโทหายไปหลายวันค่ะอาจารย์รู้สึกผิดค่ะพอาจารย์เสกแพ้บ้างชนะบ้ า, บางอยู่ในโลกก็ บ, บางทีก็ต้อง ก็ต้องไปกับเขาอะนะค่ะพระอาจารย์ก็แบบตอนแรกจังคิดว่าเออวันที่เขาไปไปตีกอไปอะไรเราก็แบบเหมือนกับอยู่ในห้องนั่งสมาธิแต่พอดีมันก็มีแฟนของเพื่อนไปด้วยเงี้ยค่ะก็เลยแบบมันรู้สึกว่าเออเราอยากจะทำตัวแบบแตกแย่ออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบไม่อยากจะแบบให้เขารู้สึกแปลกๆอะค่ะก็อย่าไปดีกว่าถ้าทำอย่างนงี้ก็อย่าไปดีกว่า ใช่ค่ะพระอาจารย์แต่มันโดนไฟบางครั้งให้ไปก็เลยเออไปก็แล้วกันแต่เราก็คิดว่าเดี๋ยวเราต้องถ้าเราต้องมีพุโทโธตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าสองวันแล้วนี้พุโทโธหายไปเลยค่ะพระาอาจารย์ใหม่ทีได้ทีตอนเย็นค่ะพระอาจารย์ <laughs> เลยรู้สึกผิดอค่ะพระอาจารย์ก็ก็เออไม่เป็นไรสี่วันก็ยอมกลับมาต้องรีบมีความเพียรเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ นีว่าเป็นวิบากกรรมของเราล้วยกันค่ะไปทดสอบค่ะพรอาจารย์ไปไปทดสอบว่าผ่านไหมเอาไม่ผ่านนี อ, อย่างเงี้ยค่ะพาอาจารย์ก็เป็นต้องยอมรับค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ดีค่ะได้เป็นบทเรียนว่าเออบางทีเราก็ต้องไปเจอโลกภายนอกเราก็ต้องแบบไต้องปรับตัวอย่าไปทุกข์กับมันค่ ะ, ะนี่สี่ไม่ได้ต้องต้องทําทํานี้ก็ต้องทําไปค่ะทีไม่อยากทำแล้วมันก็ทุกข์ได้ ไม่ทุกข์ก่อถ้าถึงเวลาต้องทํำเราก็ทําไปค่ะก็นึกถึงพระอาจารย์ว่าให้มีผึกเม้นให้มีสติเอยู่กับพุทโธอะไรอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์วันสองวันแรกลืมค่ะพระอาจารย์อีกสองวันพอได้อยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ไม่มีอะไรนะคะอาจารย์กลับมากลัมาชาร์จแบตใหม่ก็แล้วกันกลับมาชาร์จแบตค่ะเข้าห้องเหมือนเดิมพระอาจารย์สบายดีนะคะพระอาจารย์สบายดีสบายดีไม่มีอะไร ค่ะก็เพิดีเห็นว า, าจารย์โะะพสค่ะะอาจารย์เห็นโพสต์กันคือแล้วก็ไมาไดโพสแล้วพอดีกเขาเอาไโปโพสเองอ๋อค่หาวอ า, า, าจารย์ก็มีมันถามตอบปัญหาแล้วไม่มีใครถามแล้วก็เลยขอถามบ้างเขาเป็นห่วงค่ะอาจารย์นะคะคกลัวกลัววังซุมแค่ย้อนเห็นถามทางนั่นเองค่ะอ า, ห า, หาจารย์แต่วันนี้ทั้วันมันก็ต้องไม่มีเรี่ยวมีแรงจะไปมเรี่ยวมีแรง ค่ะพ่ะจาย์ก็ทําให้ลูกคิดแบบเออมันก็ทําให้เรามีความเพียรเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบเ<ม>ออรู้สึกแบบเออไม่ได้ละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมันไม่ไม่แน่นอนนะคะพ่ะจาย์<ม>ทุกอย่างมันไม่แน่นอ น, นะค่ะอาจารย์ก็มไม่ควรไปยึดติดอะไรใช่ไหมคะพา่ะจารย์ทุกอย่างไม่เทีย่ยมเรา ต, ต้องตดเป็นดิพึ่งแห่งตนใช่ไห<ด>ม<ด>คะดีที่สุดตอนนี้ต้องพึ่งใครยังพึ่งได้ก็รีบรีบตักตวงโอกาสนี้ แต่เป้าหมายก็คือไม่ต้องการพึ่งเขาไปตลอดพึ่งเขาเพื่อให้เรารู้จักพึ่งตนเองค่ะอาจารย์น้อมน okay. ําค่ะอาจารย์ก็ยังไงก็ให้พระอาจารย์รักษาธาตขันนะคะมันมันให้เรารักษาได้ก็ดีมันไม่รักษาไา้ก็เลยก็ขอให้เป็นเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันมันไม่เป็นนอไม่เป็นไรหรอกมันยังไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียดอะไร แต่มันก็บ่งบอกว่าสังขารไม่เที่ยงนะมันมันก็ค่อยๆเริ่มเสื่อมไปเท่านั้นเล็กเท่าน้อยจะ่พอสังเกตได้อย่างเงี้ยค่ะก็อย่างค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะน้องนำปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติบูชาค่ะอนะครับทุณนักที่ติมาต่อกรทอมอการนมัสการค่ะพระอาจารย์ สิ็นเจ็ดแล้วเซ็นแปวันนี้ได้เจ็ดข่าววันนี้วันนี้มีงานเลี้ยงโอเคช่วงนี้ช่วงนี้งานเลี้ยงบ่อยหน่อยนะใช่ค่ะวันนี้สนามบินก็คนเยอะใช่ค่ะมีคริสต์มาสพอดีโอเคก็ฉลองกันไปค่ะอาจารย์อาจารย์ท่านแข็งแรงนะคะแต่จำไว้นะงานนี้ยย่อมมีวันสิ้นสุดนะค่ะอาจารย์ ค่ะปฏิบัติทุกวันเหมือนเดิมค่ะโอเคสาวจูคุณสาวตกาเป็นยังไงเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะเอะดีแต่มันก็ดีขึ้นเพราะว่าตอน ท, ที่ที่ไปหาพระอาจารย์อะคะ่ะออวันก่อนที่จะใส่บาตรอะคะ่ะขับรถแล้วมันเฉลบออกนอกทางอะคะ่ะพระอาจารย์บ่ แต่เขาขับแล้วมันจะล่วงข้างทางแต่ล่วมีแค่ความรู้สึกว่ารถมันแฉลกออกแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ทีนี้เขาก็อันนี้แต่ปกติอ่ะค่ะลูกอะจะแบบเขาว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันนิ่ง ม, มันนิ่งแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วก็นึกในใจว่าเออเขาวงกลัวล้วว่าแน่เลยแต่ลูกอะ ก็นิ่งแล้วก็ขับแต่ว่าอีข า, ากลับค่ะอาจารย์ตั้งใจว่าจะซื้อของไปฝากแล้วทีเนี้ยก็บอกแฟนว่าเฮ้ยเดี๋ยวเธอตรงมอตอร์เวยนะแล้วแฟนลู่วจะเป็นแบบเหมือนเวลาออกนอกบ้านอะคะ่ะเขาจะมองนู้มองนี่มอนมอนี่มองนั่นแต่เขาชอบสอนให้ลูกมีสติปแล้วเสร็จอ่ะมันเลยมันเลยออกไปว่าอาจารย์ไม่ได้จอดแวะ ลูกก็อึ๊แล้วก็ลูกก็ไม่ได้ว่าอะไรอะค่ะเขาก็เตรียมเตรียมจะว่าลูกแล้วลูกก็นึกได้ว่าเราไม่ที่เหมือนพระอาจารย์บอกอะเออเขาต้องเราต้องฝึกลูกก็เลยมันนิ่งแต่ว่าลูกก็ขี้เกียจทะเลาะเพราะลูกรู้ว่าถ้าคุยกันอะเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องลูกก็เลยเอาหูฟังใส่แล้วก็ฟังเทศพระอาจารย์แล้วก็นั่งสมาธิไปจนจบ กันเทศแล้วลูกก็ลิมตาแล้วเขาก็ถามว่าลูกหลับเหรอลูกบอกลูกไม่ได้หลับแต่ลูกขี้เกียจทะเลาะค่ะยังแยามาอยู่ไม่ก็จะได้รับรู้บ้างอาจารย์ถ้าเราแบบยอมหมดอะมันเหมือนว่าเขาก็ได้ใจเราก็ต้องปลามเพราะว่าถ้าเราม่ปลามอะ เดี๋ยวเขาได้ใจเราไปย่ห้ามยิยุ่หรือเปล่าเดี๋ยวไปห้ามเขายิงย่งไปยิ่งไปยุ่เขาใหญ่เออไม่ไม่ลูกเคยทําตามเหมือนที่ว่าอาจารย์บอกว่าเออให้นิ่งถ้าหากว่าเราอ่ะไม่ไม่ไ ม, ไม่เขาถามอะไรที่เราไม่อยากตอบเราก็เฉยทีเนี้ยพอลูกเฉยตามที่พระอาจารย์สอนนะเขาก็ตามลูกตลอดเลยแล้วอาจารย์หาคะคือทําไมลก อย่างนี้เซ้ว่าจะเถียงอยู่ข้างในลูกก็เลยรู้สึกว่าบางทีมูกก็ใช้ไม่ได้ลูกก็เลยเออก็แสดงดุบนิดหน่อยแล้วลูกก็เข้าไปอันเป็นเข้าไปข้างในเหมือนเดิมลูกก็ น, นั่งสมาธิได้หลายรอบมากเลยแล้วเขาก็บอกว่าลูกอ่ะโกรธหรอลูกบอกโอ้ยลูกไม่โกรธหรอกก็คือมันนิ่งขึ้นเนี่ยอาจารย์พระตอนนะไม่โกรธแต่ไม่อยากจะยุ่งด้วยนะ ไม่อยากยุ่งต่างคนต่างอยู่ไงประจัะรักษาส่วนเหมือนส่วนต่างกันส่วนต่างประธานส่วนเหมือนใช่ลูกก็พยายามเองลูกก็ฝึกแล้วลูกก็พยายามยอมนะแต่แต่ก่อนลูกไม่ค่อยยอมลูกดุเดี๋ยวนี้เราแพ้เป็นพระชนะเป็นมานนะก็มีมันออกมันที่ทำคอมแพงๆบ้างก็ไม่จัยังไม่เป็นพระร้อยเปอร์เซ็นนะย ยังเป็นรูปผส ม, มอยู่เป็นรูปเครื่องอยู่ <S <S ไม่ไม่มันนิ่งอ่ะนิ่งแต่ว่าขี้เกียจเป็นคนลำคาเนี่ยแบบเหมือนว่าจะต้องเอาคำปกอบแล้วมันอยู่กันแค่สองคนไงอาจารย์มันก็จะบีบก็ดีค่ะฝึกไปเรื่อยๆค่ะคช่จะสาธุค่ะคุณปูแป้เน กับสัตุค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะได้ยินจ้าค่ะพระอาจารย์ของหนูก็ปฏิบัติเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ประสบการณ์ของหนูพระอาจารย์ก็ก็สังเกตตัวเองไว้เรื่อยๆค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ถึงแม้ร่างกายหนูพังแต่ก็หนูรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยลาป่วยเลยค่ะพระอาจารย์ไปทํางานได้แบบ แบบเหมือนสบายตัวไม่ไม่รับป่วยเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนจะรับป่วยบ่อยมากเลยค่ะพระอาจารย์พอลุยปฏิบัติมันก็ไม่ค่อยเจ็บร่างกายค่ะพระอาจารย์แล้วก็ตื่นเช้าด้วยค่ะพระอาจารย์กำลังใจดีสติดีเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ประเด็นคือหนูต้องฟังทำช้าใจตลอดเลยนั่เจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนได้ อ, อาหารทางใจตลอดค่ะพระอาจารย์ได้ปัญญาเจ้าค่ะหนูได้จากพระอาจารย์แล้วพอดี โรงพยาบาลพอดีเขามีงานใช่ไหมคะพระอาจารย์หนูก็เลยไม่ได้ไปร่วมเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของหนูเองนะคะด้วยที่อาจจะเป็นเพราะว่าหนูอาจจะบอกว่าหนูผ่าสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่พอไปแล้วรู้สึกหนูสังเกตตัวเองไม่ค่อยฟังเพลงนะคะพระอาจารย์แต่จะชอบฟังธรรมมากกว่าคะ่ะพระอาจารย์แต่มันจะมันเป็นลักษณะพอไปนั่งดูสังเกตตัวเองมันจะห่าอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ กลายเป็นง่ว ง, ง, งนอนนะคะพระอาจารย์หนูกก็เลยสังเกตบ่อยๆะคะ่ะไม่ได้ไปสนุกกับเสียงดนตรีนะคะพระอาจารย์แต่จะชอบฟังทำรรใสหูฟังค่ะพระอาจารย์รถแต่งทำช น, นะรถทั้งปวงพระอาจารย์ใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วหนูกก็เห็นอบเป็นญาดีมากเลยค่ะพระอาจารย์หนูเคยเป็นลมพิษนะคะพระอาจารย์ลมพิษหนูก็ไม่เป็นค่ะพระอาจารย์ กดเอ่อโลกโลกดไหลย้อนหนูก็ไม่เป็นนะคะพระอาจารย์หนูก็ทานอาหารมื้อเดียวะคะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็ปกติร่างกายรู้สึกว่าจะสมบูรณ์ค่ะวันนี้เขามีบริจาคเลือดค่ะพระอาจารย์หนูก็อยากรู้ว่าหนูจะบริจาคได้ไหมเพราะว่าหนูเพิ่งกู้ร่างกายขึ้นได้ขิดมันยังต่ำก็เลยบริจาคเลือดไม่ได้แต่ว่าหนูก็จะพยายาม เราวัานอาหารอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ small, right. vain, ึงแม้จะไม่ต่ำมากแต่มันเริ <the <the ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดค่ะพระอาจารย์คือหนูก็กะว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้ก็ทําอะไรที่เป็นประโยชน์บริจาคเลือดอะไรเงี้ยค่ะผศจันทร์ก็ต้องให้ในสิ่งที่เราให้ได้สิ่งที่เราให้ไม่ได้ก็อย่าไปให้เจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็แบจะเดือดรอนเดี๋ยวจะเดือดรอนเจ้าค่ะผศจานทร์ก็เลยรีไปเรื่อยๆครับต้องฟังทำนะคะพผศจานทร์ไม่ฟังเพลงค่ะผศจานทร์ มันเป็นเจ้าค่ะอาจารย์เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กๆถ้าเป็นเด็กก็ฟังเพลงไปผู้ใหญ่แล้วเจ้าขาพระอาจารย์ธ่รมะเป็นที่พึ่งของใจนะยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีเจ้าขาพระอาจารย์เขาเหมือนเป็นอาหารของใจจริงๆค่ะพระอาจารย์ต้องฟังทุกวันเลยนะคะพระอาจารย์ใส่หูฟังตลอดค่ะพระอาจารย์ดีจ่ะสาธุจ้ะสาธุค่ะพระอ า, าจารย์ กวามยินดีในทำนำไปสู่นรแห่งธรรมที่ชนะนรธทางปวงสาธุค่ะพระอาจารย์ขอบคุณคุณอรนรงต์ค่คุณอรนรงค์รรมสการ่พระอาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรค่ะอาจารย์ไม่มีเรื่องมาเล่าเลยวันนี้ไม่มีเรื่องมาเล่าเลยครับอาจารย์ อ, อ, อย่างเป็นปกติ <laughs> ก็อยากเป็นปกติไม่มีข้อสอบไม่มีอะไรข้อสอบก็มีพ่ะจ้ะเพราะว่า <laughs> ไม่อยากว่นร้าวเาสอบตกอะ <laughs> ไม่ไม่ตกพ่ะยจังนี่แต่ว่าถ้าถามก็ดีค่ะมันอาจจะเป็นประโยชน์คือมันมีเรื่องว่าคนที่ทํางานกับเราเป็นคนขับรถค่ะพาะย่ะจัก็มีการขโมยของของพ่อของคุณแม่ยมแม่มีค่าเลยพระย่ะจังค่ะ ขโมยปนานาล้จริงๆคือแต่ว่าอันนี้บางทีมันเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เพิ่งมาพบตอนแรกก็หาตัวคนร้ายไม่ได้แล้วทีเดียวเขาก็ด้วยอะไรละ่ะโดนใจมาสรภาพทีนี้พอเสร็จก็เกิดคำถามขึ้นมาระหว่างเนี่ยข้อธรรมเราจะใช้ยังไงความเมตตามันก็ถามว่าโกรธไหมไม่ได้โกรธนะอาจารย์คือโยมก็ไม่ได้มีความโกรธแบบแบบโกรธอะไรเงี้ยแหละคือของทองคําเป็นทองคําเพราเอาไปหลอมมันแล้วพอาจารย์เอาไปเงินไปใช้จนหมดแล้วอืมแต่ว่า กระบวนการทางกฎหมายอะ่ะมันก็ต้องเดินไปนะคะคือแบบอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ยากนิดนึงเพราะว่าอถ้าเราบอกเรามีเมตตาเราไม่แบบขอมันไปละเราจะไปมัแบบโกรธอยากจะแบบเรียกร้องให้เขาเามาคืนมันก็เป็นสิ่งที่ยากมากเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเราไม่ดําเนินการเขาทางกฎหมายโยมก็ไม่รู้จะปกครองคนอื่นยังไงอย่าเหมือนกับคนอื่นที่เป็นบริวารเขาก็มองเราอยู่ว่าเออถ้าเราไม่ไม่ให้คนเนี้ยเข้าสู่กระบวนการที่ไปขัดเกลาร์ตามกฎหมายอะ่ะ คนอื่นเขาก็จะมองวาอ้ต่อไปเดี๋ยวถ้าเขาขโมยของบ้างเขาเราก็คงไม่เอาเรื่องเขาอย่างเงี้ยอาจาค่ะเนี่ม <า S 1> ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบระหว่างทางธรรม ท, ที่เออแมบสมมติถ้าเรามองว่าเออมันอาจจะเป็นกรรมที่เราอาจจะเคยไปเอาของเขามาชาตินี้เขาเลยมาเอาของเรากลับไปอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็มองแบบหนึ่งแต่ว่าในทางโลกเนี่ยเ อ, อ๊ถ้าเราไม่จัดการเขาแบบเนี้ยมันจะได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเป็นสิ่งที่แบบระหว่างอาทิตย์ก็ เออเราจะทํำยังไงแต่ว่าในในที่สุดยงก็ให้เขาไปสุดกระบวนการทางกฎหมายนะพระอาจารย์แต่ว่าก็ไม่ได้ไปแบบเกลี้ยากล่อมหรือเพิ่มโทษอะไรก็หบอกตํารวจว่าก็ไปตามกระบวนการที่ควรจะเปน็นใชไหคะเนี่ยยงก็เลยไม่แน่ใจว่าเวลามันเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่าเหมือนเออถ้าถ้ายงอยู่ในป่าเขาไม่หยิบของยอมไปยงไม่ต้องมีคนอื่นปกครองก็อาจจะแบบเออใช่ไหมไปตามอะไรอย่างนี้แต่พอเรามีองค์กรมีคนที่มองอยูอ่เราอยู่ว่าอ่าเราจะจัด ก, การกับคนกระทำความผิดคเนี้ยังไงอ่ะ มันก็เลยเหมือนเราต้องบาลานซ์กับทางโลกด้วยก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆเรารับมือเราเราแบบยอมได้ทําถูกหรือไม่ถูกเงี้ยอาจารย์่อ้ถูกทางโลกไม่ถูกทางธรรมใช่ค่ะนั่นแหละอาจารย์มันจะถูกทั้งหมดจะถูกท้งสองทางไม่ได้อตรงเนี้ยมันเป็นความยากมากเลยาอาจารย์มันไปด้วยกันไม่ได้ถ้าจะถูกทางธรรมก็ให้อภัยยกโทษให้แล้วก็เตือนว่าอันนี้คาดโทษไว้ก็แล้วกันครั้งต่อไปอย่าทำอีก ค่ะแต่ว่าเด็นคือตอนแรกอะ่ะเราก็คิดว่าเขาทํทาครั้งนี้ครั้งเดียวใช่ไหมพระอาจารย์ปรากฏว่าเขาทํามาตลอดเลยพระอาจารย์เขาหยิบเล็กห้อยมาตลอด<ม>ก็เลยเกิดคาถามถัดไปว่าจริ ง, รงๆเราก็ควรจะเก็บเขาไม่ทางานกับเราต่อไหมถ้าเป็นอย่างเงี้พระอาจารย์ในทาง ก, ก็ดูว่าเขาเดือดร้อนหรือเปล่าด้วยค่ะครอบครัวก็มีลูกมีเต้ามีอะไรหรือเปล่าอืมอ่าเขาเดือดร้อน จบงานนี่งอาจจะทําให้เขาบีบให้เขายิ่งไปทําบาปเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าออันนี้ก็ต้องต้องพิจารณาหลายหลายมิติด้วยกันใช่พระอาจารย์เรื่องมันเป็นโอเพราะว่าแบบอย่างนี้พอเกิดเรื่องมันก็เลยเหมือนอย่างที่พระอาจารย์ว่าพอมันมีทางโลกกับทางธรรมมันออโอ้โหเลยมิติมันเยอยจริงก็เราอยู่ที่เราจะเลือกเอาทางไหนะ่อใช่ครเขาโอ้โหมันเหมือนแบบคนในองค์กรก็ มีคําถามมากมายเรารู้ว่าเราอันนี้ยเราก็จะต้องตอบคําถามเขาแบบหนึง่ง mm. มันก็เลยแบบเอออันนี้รู้เลยข้อสอบแบบนี้เวลาเจอ mm. โลกการทำโลกกทารทำด้วยกัน mm. สงสัยจะสอบตกในทำแน่ๆ <c oughs> แต่ว่าก็จริงๆแต่ว่าอันนึ่งก็คือพอจะทําได้คื อ, อตอนแรกตํารวจเขาก็แบบเนี่ยสงสัย สันนิษฐานเลยว่าภรรยาต้องรู้เรื่องยมก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้จะไปเหมายัางไงไม่ได้เพราะว่าถ้าหลักฐานมันไม่ได้ชัดเจนเราจะไปเหมารวมแค่ว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาทําขิดกมันไม่ได้เอออันนี้ก็เลยบอกจะไปจะไปดําเนินคดีฝั่งตัวภรรยาเลยเพราะว่าจากข้อเท็จจริงมันก็เห็นอยู่ว่าเหมือนตัวภรรยาเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเงี้ยอืมยงก็บอกจะไปก็ก็คืออันเนี้อยอ่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้ได้แบบว่าเรามีความชัดเจนว่าเราจะไม่แบบ ถ้ามันไม่เห็นชัดเจนน่ะเราจะไม่ไปเอาผิดโดยการแค่ข้อสนิษฐานของการเป็นผู้สมรรถเท่านั้นเองอาจารย์มันมันยากเกินไปสําหรับโยมว่ามันไม่ใช่ว่าเออจะเป็นหมาอะไรอย่างนี้นเราเฉพาะตัวที่ยวอะไรกันใช่ก็เลยบอกว่าเอ้วั น, นี่ยเวลาเจอโจทย์ที่ต้องแบบกับทางทำไปไมีทางน้ำหลักเราต้องชทางน้ําหนักดูว่าเราอยากจะไปทางไหนใช่ค่ะถ้าสร้างบาลมีก็เป็นทานบาลมีก็ เป็นทวีสันดอยก็โอเคยกไปให้เขาไปถ้ายังอยากจะปกครองคนอยางยังอยู่ทั้งโลกอยู่ก็ต้องมีมีการลงโทษมีการอะไรไปอาจารย์มงนยากจริงค่ะก็เลยรู้ตัวเลยว่าอืมโจทย์อันนี้ถ้าทายจังอือมีเรื่องเล่ามาางทีมันก็ต้องทำนะเพราะอยู่ในโลก ใช่พระอาจามันอยู่ในโลกจริงๆโอ้พหแบบทุกสายตามองแล้วก็ตั้งคําถามเราก็เออแล้วก็เราคําถามมันก็แบบเนี่ยมันกลายเป็นแล้วมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานมันคืออย่างนั้นเพราะว่าสมมติอวันข้างหน้ามีคนลักทรัพย์อย่างนี้อีกแล้วเราสมมติวันนั้นเกิดจะมีคนเลือกดําเนินคดีกับเขาละกันอาจจะไม่ใช่ตัวโยมเองก็อาจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเอ้าตอนนั้นเกิดเรื่องเนี้ยเขายังได้ไม่เห็นจะต้องดําเนินคดีเนี่ยมันเป็นความแบบ เหมือนเราเป็นคนสร้างบรรทัดฐานที่อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้คนที่ต้องปกครองข้างหน้าขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยโยมก็เลยต้องชั่งน้ำหนักมากอือ่าออืมก็เลยรู้ว่าโอ้นี่แหละถ้ายังอยู่ทางโลกมันจะต้องสกตกทางธรรมในบางครั้งอจากยั้หมืทางธรรมก็มีโทษเหมือนกันอย่างภาพทำผิดประราชิก็พระพุทธเจ้าก็ให้ออกให้ออก ให้ศึกไปลาศึกค้าไปโอเคถ้าไม่ไม่ลงโทษเดี๋ยวก็เป็นตัวอย่างให้พระรู้เื่นก็าทำตามได้ก็มีก็ไม่โทษเหมือนกันอืมแต่เพราะมันเรื่องอยู่กับคนหมู่มากนะครับอาจารย์อืมอ่ก็อันนี้ก็เป็นข้อสอบระหว่างทลงโลทางธรรมส่วนที่เหลือก็ยังปฏิบัติครับอาจารย์ปฏิบัติตัวเดียพ่ะตจ้ ก็อาจารย์รักษาธาตุแข็งไปที่อาจารย์พรมพิไลต่ออาจารย์พรมพิไลคุณนันทกุลเห็นเดินป้นเปี้ยนอยู่เลยกลับมวัสการพระอาจารย์ถ่ายกาลังเดิมมาแล้วค่ะหลับไปงีบหนึ่งแล้วค่ะวันนี้ <c oughs> สายหน่อยนะอาจารย์ค่ะวันนี้สามทุ่มกับเครื่องเลยใช่เข้าเหมือนเดิมอะค่ะแต่ว่าคิวช้าหน่อยพระอาจารย์ธัตุแข็งแข็งแรงดีนะคะ ก็แข็งแรงดีอ่อืเป็นทุกคนเป็นวงค่ะยังรูสดใสค่ะอ้วนบอกไม่พบพระอาจารย์มาบอกหลายปดไม่ได้ไปคร อ, อบกลัวมาทั้งครอบกลัวเลยอ่าก็บอกมหารจรรย์ดูเด็กที่สุดเลยไม่มหารจรรย์ค่ะธรรมะชั้นสูง ก็สนใจอ่ะพอดีลูกลูกสาวแอนิต้าอ้วนก็เพื่อนลูกสาวเป็นเพื่อนกับลูกของแอนิต้าด้วยที่ไปด้วยกันวันนั้นนะเออประมาณสองคนลูกสาวสองคนเป็นเพื่อนกับเปียรเพื่อนอ่าใช่ครับก็ดีนานๆได้เจอทีก็อเขาบอกแป๊บเดียวเ่อนนึงเรื่อนเจ็ดปี เวลามันผ่านไปแล้วเดี๋ย ว, วจะไม่ได้เจอเดี๋ยวก็จะไม่ได้เจอแล้นะตอนนี้มียังเจอกันได้ก็เจอกันไปตรงเรียกใช่ <laughs> <laughs> ก็เพื่อนๆก็บอกเนี่ยบอกว่าพี่น้องทุกคนถ้าใครเรียกไปไหนบอกรีบๆเจอกันนะเพราะว่าเรามีทั้งพี่ทั้งน้องไม่รู้เมื่อไหร่อืถ้ามหาเรียกมาปุ๊บต้องรีบีๆเจอพรุ่นี้อาก จ, จะไม่ได้เจอกันใช่ไม่มีอะไรแน่นอนนะ <laughs> เดีวนี้เราก็มีการสั่งเสียนใน ห, หมู่เพื่อนๆว่าเอยใครไปใครไปก่อนใครไปหลังอย่าลืมไปทําผมแต่งหน้าให้ด้วยนะอะเงี้ย <c oughs> มื่อใหม่อํานาโอ้โหเดี๋ยวขอไปเรียนเรียนแต่งหน้าวันนั้นจะแต่งให้เพื่อนมีสวยอย่างนี้เราก็แบบแก่ได้ที่นะก็แบบคุยกันเรื่องเหล่านี้เป็นของปกติ <c oughs> ใช่มันต้อเกิด <c oughs> มันต้อเคย <c oughs> แปิดไว้ซ้อมไว้เตรียมตัวทําใจไว้ทออําว่าสดุเป็นเรื่องธรรมดาไปนัดการไม่ใช่ตัวเราเป็นตุกาตาตัวหนึ่งที่เราเรามาใช้รับใช้เราเท่านั้นเองให้มองอย่างนี้เราเป็นใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาก็เลยต้องอาศัยใช้ร่างกายเป็นตัวแทนเราเท่นั้เป็นผู้แทนเราผู้แทนก็ไม่เที่ยงได้ว่าต้องเจ็บเจก็ต้องตายไป แต่ใจดีอย่างไม่ไ ม, ไม่ไม่มีวันตายเขต้องต้องเร่งปฏิบัติให้ได้มากที่สุดนะครับพยายามทําทําใจให้เฉยให้ได้ทำให้ใจให้ปล่อยให้ได้นั่นเองปล่อยได้ใจก็จะไม่ทุกข์ก็ปล่อยไปไปไปเรื่อยๆคะ่ะก็ได้เยอ ะ, ะ, ะ แ, <ต>แล้วค่ะดูแลมันไปดูแลมันไปแต่ถ้ามันะจ ะ, ถ, นจะถ้ามันจะดื้อก็ช่วยไม่ได้ฮามันไม่ได้ ก็ใจรื้อในบางเรื่องนะคะแต่ก็แต่รู้ว่ามันดื้อถ้ามันกหมือนถึงร่างหมือนถึงร่างกายถ้ามันจะเรื้ค่ะมันถ้ามันจะเป็นแล้วก็ห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บก็ต้องห้ามห้ามมันไม่ได้แล้รักษาได้ก็รักษาไปโอเคนะมีน้ำนะกลับตัวประชาราชินาจะไปเข้าไปกราบนวัตการ ปีใหม่ค่ะใช่โอเคทำเลิศกา ร, ารอุษาดิศยาแม่ลูกวันนี้มาอยู่ด้วยกันนะ อ, อุษาทำไมต้องใส่แมสด้วยไม่สมาเลยโยมมาสการ์คาา่ะจันโยมกลับมาบ้านเลยที่นี่อากาศมันชื้นถ้าไปถูกฝนเลยเป็นหวดัดค่ะเดี๋ยวลูกติดเลยเลยใส่แมสด้วยนีอะไรไหมอ่าโยมก็จะรายงานว่า ที่อาจารย์บอกให้โยมขึ้นเขาแล้วไปภาวนาข้างนอกกับอาจารย์อืไปเดินจงกรมแล้วก็ไปนั่งภาวนาข้างนอกตอนที่โยมไปถึงแล้วนะ้องแม่บ้านบอกว่าไฟที่ถนนดับโยมนึกในใจเอ้าแล้วคราวนี้มันต้องมืดแน่ๆเลยแต่ก็เป็นไงเป็นการค่ะอาจารย์ก็ออกไปทําตามที่อาจารย์บอกค่ะวันแรกออกไปนี่คือเหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยตรงที่ว่าอเสียงเสียงรีดริ่งอะค่ะมันโยมก็ไปหายใจตามเสียงเขา เราเรายังคุมอารมณ์เราไม่ได้ไงคะจันแต่พอวันหลังๆก็รู้สึกออกไปข้างนอกรู้สึกสบายค่ะจย์แล้วก็เพิ่มเวลาในการปฏิบัติข้างนอกมากขึ้นคะ่ะปฏิบัติรอบนี้ก็ดีค่ะจันนากลัวไหมไม่กลัวแล้วเนี่าไม่กลัวและะ้วค่ะวันที่ออกไปวันแรกก็แรกๆก็รู้สึกเป็นไงเป็นกัน คิดอย่างงี้นะคะในเมื่ออาจารย์บอกให้ออกก็ต้องเชื่อมั่นที่ว่าอาจารย์บอกต้องอาจารย์ต้องเห็นอะไรสักอย่างให้เราออกไป<ม>ก็ไม่ออกไปค่ะตั้งแต่วันแรกเลยค่ะทีแรกก็คิดว่าเออหรือรอให้ไฟถนนมาก่อนแต่ก็ตัดสินใจว่าออกไปนั่งเลยตั้งแต่วันแรกค่ะอาจารย์แล้วก็ออกไปเดินข้างนอกกอ น, นแรกก็ออกไปตีห้าครึ่งแล้วออกมาตีสี่ตีสามกว่าเพิ่มเวลาขึ้นมาเรื่อยๆค่ะก็ ก็ดีค่ะอาจารย์รู้สึกเย็นกายเย็นใจค่ะแล้วก็สุกกายสุกใจค่ะอาจารย์นั่งได้ดีนะก็แดว่าไปถูกทางแล้วนะค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งโยมนั่งไม่ได้โยมฟุง้งมันมันเป็นภาพโยมก็บอกนั่งนั่งเสร็จนั่งข้างนอกนะคะโยมบอกว่าอาจารย์ช่วยโยมด้วยแลวคาตอบก็มาว่าทุกตรงไหนให้หยิบตรงนั้นมาพิจารณาค่ะอาจารย์ก็เลยเอาสิ่งนั้นมาใช้ค่ะอาจารย์ได้ได้ผลดีค่ะ ถูกต้องลงไปแก้ปัญหาที่ที่เหตุคือต้อนเหตุคือคตามยาต่างๆค่ะแล้วก็มีตอนที่เดดมันมีสิ่งแปลกขึ้นนะคะอาจารย์สิ่งมหัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นกับโยมตอนเดินจงกรมอะค่ะมันเดินแบบรู้สึกตัวมันลอยเหมือนจะลอยมันเบาเดินเบาเบาเบาเบาไปตลอดแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็พอมาหยุดตรงหัวแถวมันก็จะนิ่ง มันเป็นการเดินจงกรมที่มีความสุขมากในรอบนั้นค่ะอาจารย์ใจเบาใจสงบมันทำให้รู้สึกร่างกายเบาตามไปด้วยใช่ครับมันเหมือนจะลอยได้เหมือนกับเดินเดินก็ไม่ไม่เหนไม่เหนื่อยเดินก็ไม่เหนื่นยใช่ค่ะเดินแบบเดินเดินเดินเดินโอ้ยมันมีความสุขอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองที่ว่าต้องเดินจงกรมและจากการเดินจงกรมนี่โยมก็ได้คิดว่านอกจากได้สติแล้วก็คือได้ปัญญาใช่ไหมคะอาจารย์ มันมันพอเราหยุดยืนหยิบปัญหาขึ้นมาแล้วก็หยุดยืนพิพจารณามันก็ได้เป็นเปลาะเปลาะไปค่ะแล้วก็ไปตอนเดินกลางวันมันถูกแดดร้อนแล้วก็รู้สึกว่าตัวร้อนหัวร้อนอย่างนี้ค่ะหยงก็เลยมาพิจารณาว่าให้เอาความร้อนนั้นเป็นไฟเผาตัวเองก็เผาไปมันเหมือนกับไฟไม้ฟางอะค่ะอาจารย์มันก็ไหมมาจากข้างล่างไหมมาจากเท้ามาจากหัวแล้วก็จากแขน แต่มันระอุอยู่ตรงกลางตัวมันไม่หมดค่ะอาจารย์มันมีไฟแดงๆเหมือนไฟสูงขอนีอย่างงั้นนะคะ<ม>เราต้องทํายังไงต่อไปคะก็เฉยๆไปเลยเอจะเป็นคนดูเราไม่ได้เป็นร่างกายเราต้องแยกเราออกจากร่างกายเอเราเป็นผู้ผู้ดูผู้รู้ร่างกายก็เป็นดินน้ําลมไฟมไฟก็เป็นธาตุไฟอการขึ้นเขา ว, วันนี้รอบนี้มีความมีความสุขค่ะอาจารย์ ดีได้ได้กำไรก็ดีไม่ขาดทุนก็ดีตอนแรกๆเ ก, ก่าว่าห้าวันแรกคิดว่าจะหลีกเลยและะ้วค่ะจานห้าวันแรกมันยังไม่รวมเลยแต่มันก็ได้เดินจงกรมอย่างนี้ไม่รวมเลยคิดว่าโอ้ไม่ไหวแล้วแบบนี้แต่พอวันที่ช่วงกลางวันมันก็รวมมันสงบลงก็เลยมีกําลังใจทําต่อไปคะ่ะจอเา ข, <อ>ขอบพระคุณมาะอาจารย์นะคะที่ให้โยออกไปอยู่ข้างนอกอ่วยช่วยไม่ถอยะใช่ค่ะ ต้องพยายามไปหาข้อสอบทําอยู่เรื่อยๆคแต่ว่ารอบนี้ติดกลัวน ะ, ะการทำแต่การบ้านไม่ไม่ไปทําข้อสอบมก็ไม่รู้ว่าผ่านหัือไม่ผ่านค่ะไม่ไม่กลัวออกไปตั้งแต่วันแรกเลยค่ะไม่มีความกลัวก็เนะื่องแต่แรกแรกก็คือเราเราเราไม่เคยปรับไม่เคยได้ยินเสียงข้างนอกไงคะอาจารย์<ม>เสียงรีดลีดมันมันเยอะมากกว้างก็เดินทั้งคืนขยันมากเลยกวาง<ม>เดินเดินเดินเราก็เลยแต่วันที่สองก็เริ่มรู้อารมณ์ค่ะแล้วก็เริ่มปรับก็ดีค่ะอาจารย์ น่โอเคอาธุค่ะขอบ พ, พระคุณพระอาจารย์นะคะอะไรดีเสียอ่ะอาทิตย์นี้ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวปีใหม่คิดว่าจ ะ, อ, ะอยู่อยู่ที่บ้านแล้วก็ปฏิบัติค่ะพระอาจารย์น่าจะอยู่ได้สักหกวันค่ะโอเคพยายามหาเวลาปฏิบัติให้มากนะได้ค่ะพระอาจารย์ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรนะโอเคอาจารยคุณฝนกมธาสการกับพระอาจารย์อาจารคุณฝนจ้ากรรมธรรมมสการค่ะพระอาจารย์เอาทิตย์นี้จะมารายงานค่ะเพราะว่าเอหลังจากที่มันพุทธที่แล้วสนทนาธรรมกับพระอาจารย์เสร็จก็รีบไปนั่งสมาธิต่อเจ้าค่ะเออ อาที่นี้ขออะไรเจ้าอาชีวานเสียงดังนิดนึงอยู่ริมถนนเจ้าค่ะไม่เป็นไรไม่ได้ีนนะค่ะก็พอดีหนูตั้งใจว่าเหมือนหลังจากที่สนทนาทํากับอาจาศศรย์เสร็จเมื่อวันพุธที่แล้วเจ้าค่ะก็ไปนั่งสมาธิต่อแล้วปรากฏว่าเอา้านั่งหลังๆก็คือนั่งนั่งเงี ย, งยบๆเจ้าค่ะก็นั่งไปได้ได้สามสิบแปดนาทีเจ้าค่ะแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอาทีเนี้ต้องตั้งเป้าแล้วแล้วก็ตั้งใจจะกลับมาทําความเพียรก็เลยจะตั้งเป้าให้ไปสี่สิบนาที พี่นี้หนูก็พยายามฝึกนั่งฝึกนั่งแบบแบบพยายามนั่งให้ไปให้ถึงแต่มันก็ไม่ถึงนะเจ้าค่ะจนมีมาเมื่อวานนี้ยค่ะอีกอีกนี่เดียวค่ะอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะมันก็จะไปสี่สิบพนี้ตอนที่นั่งระหว่างนั่งอะค่ะพระอาจารย์มันหนูไม่หนูก็จะพภาวนาพุทโธบ้างดูลมหายใจบ้างอะเจ้าค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ไปฟงคิดเรื่องเรื่องทางกิเลนสนะเจ้าค่ะแต่ว่ามันจะคิดแต่เรื่องทางธรรมอะเจ้าค่ะ คือเหมือนคิดแต่เรื่องทําแบบเหมือนพอภาวนาะไปเรื่อยๆมันก็จะเหมือนแบบพอเราเริ่มเริ่มเริ่มหลุดจากคนะําภาวนามันก็จะไปคิดทางทําอะไรแบบนี้เจ้าค่ะแล้วหนูก็จะนึกถึงคําที่พระอาจารย์สอนเสมอว่าเวลานั่งสมาธิแบบช่วงเวลานั้นต้องหยุดคิดทุกอย่างเจ้าค่ะหนูก็จะกลับมาอยู่ที่พุตโธแต่ว่ามันก็จะเดี๋ยวมันจะกลับไปคิดทางทําอีกเราเป็นแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ต้องเดินกลับมาเพื่อพยายามเดินกลับมาอ่า ถ้พาพุโทโธมันสั้นไปเราใช้บทยาวๆหน่อยเดินก็ได้คดดวรสวดบทนิจปิโสก็ได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะขึ้นทางเสาานาะงกอชามิธรรมงสาานาะกะชามิสาาัมครั้งเสนาะกชา ม, าาานานชามิอะไรทำนองนีเพราะ<ช>มันยาวหน่อยมันก็จะทําให้เรามีความผูกพันมากมากขึ้นพุโทโธบางทีมันสั้นไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ยอมไม่ยอมอยู่กับพุโทโธก็อจะน้องสวดอะไรยาวๆไปก่อนก็ได้ถ้าจําเราได้ก็สวดไปเลย อย่าอย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆเราจะสู้ความอยากไม่ได้ความอยากจะลุกมันนะหนูก็ก่อนได้นี้หนูก็สวดอิติปิโสเจ้าค่ะสวดแบบท่อนแรกใช่ไหมเจ้าค่ะทีนี้พอเหมือนว่าแบบเออเริ่มดีขึ้นเราก็เลยแบบอ่ะเราเราเป็นผู้โทดูอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราก็แบบพยายามหยุดก็ต้องเปลี่ยนได้มั้นขับรถมันเปลี่ยนเกียร์รถเนี่ยตาเกียร์สองไม่ไหวก็ต้องเข้าเกียร์หนึ่งเจ้าค่ะเจ้าค่ะ เดี๋ยวค่ะงั้นก็จะลองใช้วิธีนี้ดูนะคะแล้วก็แบบพอ<ม>เหมือนนั่งไปไปจนที่หนูอกลับเรียนพระอาจารย์เมื่อที่ที่แล้วว่าเหมือนพอเจอเวทนาแล้วแบบหนูรู้ว่าหนูยังไปต่อได้แต่ความอยากมันทําให้ออกมาก่อนนะคะคราวนี้ยพอหนูเริ่มเจอเวทนาใช่ไหมคะหนูก็บอกกับตัวเองว่าแบบเราจะไม่มีความอยากคะ่ะจะจะตัดความอยากออกไปเลยไม่ว่าจะอยากให้มันหายไปหรืออยากจะอะไรแล้วก็พยายามจะกลับมาท่องอยู่กับ พอวนาพุโทโธแบบอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็มันก็ตอนนั้นมันไม่มีความอยากนะคะแต่ว่ามันมันรู้แต่ว่ามันเจ็บอะคะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีความอยากคะ่ะจนเหมือนรู้สึกว่าร่างกายอะคะ่ะท่อนล่างมันหนักมันหนักเป็นหินเลยอะค่ะพระอาจารย์แบบมันช่วงขามันหนักแบบหนักมากะะจแบบจมเจ้าค่ะจนแบบฉันไม่ไหวแล้วเจ้าค่ะก็เลยแบบฉันต้องออกมาก่อนเจ้าค่ะประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์เมืหมดสต<ม>ิแล้วหมดกําลังอะไรถูกกีเหรนแล้วค่ะ ใจกไปคิดปรุงแต่งมดใช่ค่ะอีกนิดเดียวเองจะให้อีกแบบ <g ül> อีกไม่ก <38, S 1> ี่สามสิบปดวินาทีค่ะก็จะถึงเป้าที่ตั้งไว้คือสี่สิบนาทีแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ถึงเองเดี๋ยวก็คาน้าก็ไปเอาใช้สติอย่าไปนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วเปิดช่องว่างให้กิเลสความอยากมันมารบกวนใจค่ะ เดี๋ยวครังหน้าก็จะลองกลับมาถ้าเกิดเจอเจอจะกลับมาจาับกลับมาจับที่อิติปิโสแบบท่อง ย, วยาวๆเพราะ ว, ว่ารู้สึกว่าถ้าท่อง ย, วยาวๆอะค่ะ ม, มันเวลามันผ่านไปตัปเดียวอะค่ะตัปเดียวก็สามสิบนาทีแล้วอะไแบบเนี้ยค่ะได้ถ้าใจไม่สงบเนี่ยจะต้องใช้ ย, วยาวๆหน่อยถ้าใจสงบก็จะไม่ต้องท่องก็ได้ดูลมเฉยๆไปก็ได้ค่ะค่ ะ, แ ต, ะแต่ยันนะจแต่ยันนั่งปสาศจากสตินะต้องมีลาให้ใช้ใจทําค่ะ คือมันเหมือนว่ามีสติเขาแตาเา่เราเรารู้อะค่ะตอนที่รัดไปคิดอะคะ่ะพระอาจารย์จะรู้รู้อะค่ะแล้วก็กลับมาคือมันก็จะไปกลับไปกลับอยู่แบบเนี้ค่ะพระอาจาร ย, มมย์มันไม่อยู่มันหนมันไม่อยู่อาจจะต้องใช้ใช้บทสดดวดยาวๆหน่ยค่ะได้เจ้าค่ะเดี๋ยวอาทิตย์นี้หนูจะลองใช้บทสวดยาวๆเจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็กจะดูว่าจะไปถึงเป้าที่ตั้งไว้ไหมเพราะว่าตอนนี้อลองกําหนดเป้าที่คิดว่าตัวเองพอจะไปถึงหรือมี ให้มีความเพียรที่จะไปถึงให้ได้แบบว่าไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ตั้งเป้าใหญ่เกินตัวเจ้าค่ะคิดว<น>่าเอาเปาพอจะค่อยๆเป็นค่อยไปกำลังไม่มากพอไปตั้งเป้าใหญ่ๆก็ทําไม่ได้อยู่นี้ตั้งเป้ า, าในในสิในใ น, ในตามกำลังของเราค่ะ ก, ก็ก็คิดว่าพิจารณาตัวเองว่าเออเราเรามีกําลังขนาดไหนนะตอนนี้ก็ ก็พยายามไปใน40เป็นเป้าของเราไปก่อนนะค่อยเข้าต่อไปค่อย40 50ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าหังเจ้าตอนจำนี้ตั้งเป้า40อีกนิ้เดียวค่ะแต่ก็เลยคิดว่าถ้าหนูมีความเพียรอ่าเหมือนที่เพราะว่าหนูรู้ตัวช่วงก่อนในหนูขาดความเพียรนะค่ะตอนนี้ก็พยายามกลับมาทําความเพียรนะคะพยายามฝึกสติก่อนมานั่งเลยจะช่วยได้เยอะน่ะ ก็ฝึกค่ะพระอาจารย์หมเพราะว่าจะจะใช้พุทโธตลอดเกือบทั้งวันเลยค่ะที่ที่ ด, ดูตัวเจา้าค่ะระหว่างมันไม่ได้ไม่ได้ไปคิดเรื่องเรื่องฟุง้งหมายถึงว่าไม่ได้ไปคิดเรื่องอะไรที่เป็นอ่าเนกาทีฟอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เหมือนว่าถ้าพอรู้ตัวปุ๊ ก, ก็จะใช้พุทโธลงมาเลยอเจา้าค่ะพระอาจารย์ยังโพสติฟเนกาตีฟก็อย่าไปคิดมันเลยค่ะไม่คิดาย ใ, ใจว่างปราศจากความคิดได้มากเท่าไหร่ยิ่งดี หนูก็ใช้พุทโธค่ะใช้ใช้เพราะว่าใช้จะใช้พุทโธเบรกเดี๋ยวนี้ใช้พุทโธเบรกแบบทุกอย่างนะคะพระอาจารย์ค่ะก็เดี๋ยวตั้งเป้าไว้แบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์อาทิตย์หน้ามาส่งกันบ้านเจ้าค่ะพยายามต่อไปความพยายามนี้นะความสาเร็จนี้นั้ไใช่เจ้าค่ะหนูหนูจําคํานี้ไว้ในหัวเลยค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะกลับค่ะขอบคุณขอให้พระอาจารย์ท่าแข็งแรงนะเจ้าค่ะนะทุกทุเจ้าค่ะคุณหมอภาสนะเชิญ กล่าวนามัส ก, การค่ะพระอาจารย์ค่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรก็สรุปที่ต้องเริ่มทํามาสี่ปีก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์นะคะก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นมันเบาขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆปล่อยไปได้มากขึ้เรือ่อไงพระอาจารย์มันลง<ม> ไ, ไม่เครียดทงไม่เคยดได้ดีขึ้นนะดีขึ้นค่ะพระอาจารย์ไม่เครียดเลยแบบหมายถึงว่าสมัยก่อนยังมีต้องจ้องที่บอกพระอาจารย์ที่เรียนพระอาจารย์ต้องจ้องอยู่นี้มันไม่ต้องจ้องมันจะรู้สึกว่า พอมันติ่นขึ้นมามันก็มีสติแบบที่พระอาจารย์บอกอะค่ะก็พยายามดูสติแล้วก็ไม่มันมันก็เลยมันมอเห็นความจริงมันก็ไม่ได้อยากอะไรพระอาจารย์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ทําหน้าที่ได้ดีด้วยนะคะหมายถึงแล้วก็ปล่อยพวกไม่ไม่ไม่ปีใหม่ปีมยแล้วไม่ม่ไม่มีแล้วนะพระอาจารย์ก็คือแบบทํางานเหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิมไม่ไม่เบื่กับแจ้งนันเองใช่มีมีแค่จริงๆด้วยนะพระอาจารย์มีแตแจ้งซึ่งเข้าใจอ่พระอาจารย์ วันนี้กับพรุ่งนี้เมื่อวานนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันียงแต่เอาไป้ายไปติดแล้วมันเป็นวันที่หนึง่งวันที่สองไปเท่านี้ <c oughs> แล้วอาจารย์ก็เท่เรื่องมองคลชีวิตสาิแปดประการใช่ไหมถ้าเราปล่อยไปเรื่อยเรื่อยสุดท้ายมันก็จะถึงข้อสาิบปดใช่ไหมพระอาจารย์จิตเกษมเขาค่อยทําไปเรื่อยๆค่ะก็โล่งไปเรื่อยๆโล่งค่ะขอบค<อ>ุณค่ะอไปที่คุณแอนต์ตอนนี้อยู่ไหนกลับมาบ้านแล้วอยู่ที่โตเกียว ก่นไหมก่อนเนีกน่กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเพิ่งเพิ่งกลับมาถึงกรุงเทพเมื่อมเมื่อเย็นนี้เองเลยค่ะอา่าค่ะเป็นมา ก, กี่ชั่วโมงวะวันนี้มาจากญี่ปุ่นช่วงนี้หน้าหนาวก็จะเร็วหน่อยประมาณห้าชั่วโมงครึ่งค่ะอืมแต่ว่ามันจะสับกันสมมติค่ะไ ป, ปอากาศก็ยาวหน่อยหกชั่วโมงใช่ค่ะคใช่ค่ะอืมไปทวนลมมาม า, ม า, มาตามลมมันก็เลยเร็วหน่อยใช่ค่ะเดี๋ยวก็ไปกแล้วค่ะ ที่ใหม่ก็ไม่ได้หยุดเดี๋ยวไว้ได้ไปนั่งฟังฟังซูนของหลวงพ่อที่ญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่งคราวหน้าสิ้นปีช่วงนี้คนจะเดินทางมันเยอะใช่ไหมใช่ค่ะเดินทางกันเยอะเลยแล้วก็เมื่อวันก่อนหนูโชคดีมากกลับมาจากกลับมาจากนิวยอร์กก่อนที่ที่ระบบของอเมริกันแอร์ไลน์ก็จะมีปัญหาค่ะที่ว่าซิสเต็มมันดาวไปประมาณชั่วโมงหนึ่ง ถ้าอยู่ลงใสจะแย่ตองกลับออกมาก่อนบินออกมาก่อนพอดีดใช่ค่ะเพราะว่าคริสเขาบอก Christmas อ v e คือยุ่งเลยยุ่งมากคนเดินทางมาเยอะใช่ค่ะระบบมาแบบเสียด้วยวันนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะหลวงพ่อช่วงนี้หนูก็พยายามปฏิบัติทำทานบ้านไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็วันนี้ฟังที่เพื่อนๆพี่ๆถามอะค่ะว่าที่พูดกันถึงเรื่องข้อสอบอย่างเงี้ยค่ะ หนูอยากทราบว่ามันมีข้อสอบเยอะขนาดไหนลนะคะหลวงพ่อเอ<า>การความแก่ความเจ็บความตายค่ะการทัดภาพจากกาันต่อไปเราก็ต้องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเราก็ต้องมีการพัดภาพจากกาันค่ะเราจะทำใจได้หรือเปล่าค่ะอย่างอย่างในชีวิตคนเราะค่ะหลวงพ่อสมมติถ้าสามข้อนี้เราไม่ได้รู้สึกเป็นเรื่องเป็นเรื่องยากในชีวิตอย่างเนี้ค่ะหลวงพ่อมัน แต่ว่าในในแต่ละวันเนี้มันมีข้อสอบอย่างอื่นที่หรือว่ามีการบ้านอย่างที่เราที่ที่เราทำํำต้องทํำไหมคะหลวงพอ่อก็มีเรื่องก็คือต้องไปเจอกสิ่งที่เราไม่ชอบอันนี้หนูว่ายากสําหรับตัวหนูนะคะหนูเท่าที่หนูฟังมาคือหนูรู้สึกว่าเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยในในทางโลกธรรมนี่มันมันมันทําให้ โมโหให้คลีตง่ายมากกว่าเรื่องที่เรื่่องก็อสอบ เ, เรื่องใหญ่ๆที่หลวงพ่อกล่าวไว้อะคะอ่ะพราเรามองข้ามันไปเราไม่เรามองข้าไปตัวเรื่องเล็กไปใช่ค่ะหนูว่าเจอเจอคนเนี่บางทีมันปรุงแต่งหนูมานั่งคิดดูะคะ่ะไม่รู้เป็นปัญญาหรือเปล่าแต่แต่มานั่งคิดว่าอย่างบางเรื่องเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะคะหลวงพ่อแต่ว่าจิตเนี่ยมันแบบมันพูดไปเองแบบดูสิดูคนนั้นสิดูเขาทําอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้คือเหมือนมันปรุงแต่งไปแล้วเราก็ อยู่ดีก็โมโหขึ้นมาเฉยๆอยู่ดีก็ไปโกรธเขาไปไปเกลียดเขาแล้วก็ต้องมานั่งคิดโอ้มันแปลกดีเนาะเนี่ยเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ําแต่มันมันทําให้ชีวิตในวันแต่และ ว, วันเนี่ยมันวุ่นวายในสมองมากนะคะหลวงพ่อใช่เราไม่มีสติหนึ่งไว้มันก็คิดปรุงแต่งไปเรื่อยเปยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าคือหนูไม่รู้หนูคิดไปเองป่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องแก่เจ็บตายหนูหนูว่าหนูมี มีข้อสอบให้ให้ได้ผ่านมามาบ้างค่ะอย่างคุณแม่หนูก็ท่านก็ท่านก็ท่านก็เสียไปเมื่อสามปีก่อนใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็ได้มีเป็นช่วงเวลาที่ได้ไดเ้เรียนรู้เรียนรู้ว่าเออเราจะเตรียมตัวยังไงหรือจะให้คุณแม่เตรียมตัวยังไงอย่างเงี้ยค่ะได้อยู่ช่วงโควิดอะค่ะก่อนที่ท่านจะท่านจะเสียแล้วท่านก็เสียช่วงท่านเสียหลังปีใหม่วันเดียวเลยค่ะเหมือนกับว่า ท่านอยากจะแบบอยู่ฉลองปีใหม่กับหนูให้ได้อ่ะค่ะก็แบบท่านก็สู้อยู่ข้ามปีมาสุดท้ายท่านก็เสียวันที่สองมันก็เลยได้เป็นช่วงเวลาที่วันหนูหนูก็ได้ผ่านบททดสอบเรื่องการฮัดพลากไปส่วนเจ็บตายนี่ยังยังไม่ยังไเจอโลกเจอโลงมะเร็งไม่เจอโลกอะไรอยู่โลกไตต้องไปฟ้องไตอะไรอย่างเงี้ค่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่า เรื่องใหญ่ๆก็มีไปแล้วเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องพัดพลากเนี่ยแล้วก็แต่ว่าก็แล้วก็มีเรื่องพวกสูญเสียอย่างเรื่องบ้านหนูก็เคยบ้านไฟไหม้ตอนเมื่อสิบปีที่แล้วอะค่ะมันก็ได้ได้เกิดปัญญาเรื่องการปรองกับสิ่งของรอบรอบตัวไงค่ะหลวงพ่อเคยคิดว่าจะอาจจะตกงานบ้างเปล่างานแล้วก็ไม่เคย<ง>ทุกทุกวันนี้คิดตลอดเลยค่ะหนวพ่อคือเหมือนกับว่าก็เตรียมตัวคือจากจากจากครั้งที่บ้านไฟไหมอะค่ะหลวงพ่อมันทําให้ มุมมองชีวิตเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะก็คือจะไม่ประมาทแต่ก็ไม่แน่นอนใช่ค่ะไม่มีอะไรแน่นอนไม่ประมาทไม่ยึดติดแล้วก็คิดว่ามันไม่จําเป็นต้องเคร่งคัดกับชีวิตให้มันมากเกินไปอย่างได้เงินมาเมื่อก่อนเราก็จะคิดแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บเดี๋ยวจะเอาไปทํานู่นทนํานี่ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะเกิดเกิดความคิดขึ้นมาว่าก็เก็บในส่วนที่ควรจะเก็บแต่อะไรควรใช้ก็ใช้ <unsafe problem> แล้วก็อะไรควรจะเก็บก็เก็บแล้วก็อะไรที่มันมีถ้ามันหายไปก็ช่างมันมันก็แค่แ ค, แค่หาแค่หาใหม่ <transcript> หรือไม่ก็ไม่ต้องมีก็ได้อะไอพออยู่พอกินก็พอใช่ค่ะเพราะอย่างอย่างตอนบ้านไฟไหมน้นี่นี่เป็นบททดสอบใหญ่ของหนูเลยเพราะว่าหนูไม่เหลืออะไรเลยค่ะหนูพ่อคือทั้งทั้งตัวตอนนั้นนี่มีแค่กระเป๋าทางาน <S <S <S กระเป๋าซูทเคสใบเดียวแล้วก็มีชุดทางาน เสื้อผ้าก็มีชุดเดียวรองเท้าคู่เดียวเลยพาสปอร์ตไอดีไปทํางานได้แค่นั้นเลยใส่แต่ของบริจาคหมดเลยนอนก็นอนนอนห้องแถวกับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างเหมือนกับมันมันลบได้หมดใช่ค่ะเหมือนกับเหมือนกับตอนแรกทะเลาะกันกับคุณพ่อคุณแม่กับคนในบ้านนะคะว่าเนี่ยถ้าเราถ้าเราไปสร้างบ้านหลังหลังจากกำลังตอนนั้นกําลังคิดจะสร้างบ้านข้างๆบ้านที่ไฟไหม้อ่ะค่ะก็ทะเลาะกันว่า เดี๋ยวถ้าบ้านเสร็จนะต้องเอาไอ้นี่ไอ้นั่นเข้าบ้านนะเดี๋ยวแอนจะเก็บอันนี้ไว้ไอ้ห้ามทิ้งนสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเดินเข้าบ้านใหม่ตัวเปล่าหมดเลยค่ะแล้วก็มาได้จับตาดูได้ของใหม่ใช่ค่ะก็คือแบบเหมือนกับมองมันก็เลยได้เห็นว่าเออก็จริงๆถ้ามองให้มันเป็น p o s i t i v มันก็มองได้นะคะในความถูกเนี้ยต่อไปอ็มีของน้อยๆดีกว่าใช่ค่ะใช่คือเหมือนกับว่าหนูก็ก็ก็เอามาปรับใช้ ในชีวิตได้เยอะเลยแล้วก็ เ, เปลี่ยนมุมมองไปหมดเลยค่ะอย่างที่หลวงพ่อบอกว่ า, าทุกวันนี้กลัวไหมทั้งตกงานเนี่ยคือแบบเราก็ไม่กลัวนะคะเพราะว่าเราก็เตรียมพร้อมเราก็อะไรสำรองไว้ใช่ค่ะเราก็เก็บในส่วนที่คิดว่ า, อาพอเตรียงกับว่าถ้าเราไม่มีงานทําเราจะอยู่ไม่ได้สักปีเงินจํานวนนี้อะไรเงี้ยค่ะมีหลวงพ่ออยู่กันสองคนหนูก็เลยรู้สึกว่าเออก็ก็เตรียมเตรียมแค่เตรียมรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่ก็ ไม่ได้ไปกังวลกับมันมากแค่แค่คิดว่าถ้าไม่มีทางอะไรมีทางเลือกไว้ก็แล้วกันใช่ค่ น, นี่ไปไม่ได้ก็มีทางไปค่ะตอนนี้หนูก็เลยแบบหนูรู้สึกว่าสําหรับหนูนี่ความยากในชีวิตนี่มันเป็นเรื่องเล็กๆเต็มไปหมดเลยค่ะเรื่องกับคนเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องเรื่องเจ็บตายเจ็บแก่เจ็บตายนี่ก็ยังไม่รู้แต่ว่าคิดว่าคิดว่าถ้าเกิดขึ้นก็ก็พร้อม ก็พร้อมค่ะก็ไม่มีทางเลือกใช่ใช่ค่ะเหมือนกับว่าหนูว่าหนูหนูไม่ได้มีห่วงเหมือนใครอะไรคะทำจะทําใจได้ช้าเรื่อยๆใช่ไหมเวลาเจอเหตุการณ์นั้นค่ะอาจจะเป็นเพราะหนูตัวคนเดียวได้วมั้งคะหลวงพ่อหนูอยู่กับหลวพ่อก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มีห่วงกับอะไรในชีวิตสมมุติว่าถ้าหนูไม่สบายก็คิดว่าก็แค่ตายได้ค่ะดีอยู่คนเดียวได้นี่เก่งนะ มีอะไรถ้าก็คแค่แพลนไว้ว่าเมื่อไหน่คุงตายต้องตายพวกนี้จะทำไงก็คิดว่าเออ ก, ก็ให้หลานหลานคนไหนนี่น่ารักหนูให้คนนั้นอะไรเงี้ยคะ่ะของคือแบบว่าบริจาค ก, ก็ก็พร้อมสละของที่มีอยู่เพราะมันก็ไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็ก็พูดได้นะคะหลวงพ่อ <c oughs> ยังไม่รู้ว่าจะทำํำ <c oughs> ก็มาทำอะไรพวกน้อยก่อนเนี่ยคือแบบน้อยๆก่อนเป็นแพลนน้อยก่อนค่ะ แต่ก็พยายามคิดทุกวันค่ะเหมือนที่ที่หลวงพ่อบอกให้ระลึกถึงความตายระลึกถึงอว่าสมมติถ้ามันเกิดขึ้นเราเราจะรับได้ไหมเราจะทํำยังไงก็พยายามเหมือนเขาเรียกจินตนาการเอาไว้อ่ะค่ะว่าเราจะทํายังไงได้บ้างอยู่นะคะแต่ว่าอย่างน้อยปีนี้ก็ปีนี้ก็ได้ปีนี้ก็ได้มาเลยก่อนทำการบ้านปีนี้ก็ได้ได้ได้ทําการบ้านไปหลายข้อได้ได้ได้มาหัด นั่งสมาธิแล้วก็ได้ลองได้ลองทดสอบตัวเองที่ว่าเมื่อก่อนหนูไม่กล้านั่งสมาธิเลยค่ะหลวงพ่อเวลาไปบินโรงแรมนี่ก็จะมีสตอรี่เยอะใช่ไหมคะโรงแรมนั่นมีผี ม, มีนู่นมีนี่แล้วก็เขาก็จะไม่ให้นั่งเขาบอกว่าถ้านั่งสมาธิแล้วก็เดี๋ยวผีจะมานั่งมานั่งขอส่วนบุญมานั่งเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยหนูก็ไม่กล้าเลยค่ะหลวงพ่อแต่ทุกวันเนี้ย โรงแรมที่ผีที่ผีเขาว่าผีด่วนหนูก็นั่งนั่งได้หมดเลยค่ะเลยไม่มี <laughs> แล้วไม่มี <laughs> แล้วก็เรียนรู้ว่าโอมันถ้านั่งได้ครั้งหนึ่งแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนู <c oughs> บอกตัวเองว่าถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นครั้งแรกครั้งต่อไปมันก็ไม่มีพอครั้งแรกไม่มีก็คือก็เท่ากับมันก็ไม่มีก็นั่ ง, <c oughs> น, งนั่งได้ปกติเลยค่ะทุกโรงแรมท <c oughs> ีนี้ก็เลยเป็นปีแรกที่ได้ได้ได้ลองนั่งสมาธิแล้วก็เอาความกลัวที่จะนั่งทิ้งไป ต้องขอบคุณหลวงพ่อมากมเลยค่ะหนูหนูมาเกิดปัญญาจากจากธรรมะคําสอนที่หลวงพ่อเอามาให้อะค่ะเลยทําให้ทําให้ความเข้าใจผิดเรื่องการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิการสวดมนต์มันมันเปลี่ยนไปทําให้ได้เริ่มหัดนั่งจริงจังค่ะก็จะพยายามเห็นทางสว่างค่ ะ, คะสว่างขึ้นเยอะเลยค่ะจากที่แบบนั่งแล้วไม่ไม่กล้านั่งนี่ทุกวันนี้พอนั่งรู้สึก วันไหนพอพอได้นะพอพอมีเวลารู้สึกว่าอยากจะอยากจะนั่งสมาธิอยากจะปฏิบัติสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยค่ะนี่ทำไต่อนะคะขอบคุณค่ะหลวงพ่อสาธุ ค, คุณนางอุดรน้งองแก้วน้ำมัสการพระอาจารย์ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคคุณมาริกาชาลาที่ว่า เป็นไงครับมาจากวนขาวแล้วจิตใจเป็นยังไงบ้างกาบังักาการเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ก็ได้ทําแบบทดสอบมาแบบบางครั้งก็แบบครั้งนี้ก็สาหักษา ก, กันนะคะพระอาจารย์เพราะ่าเจอความหนาวแล้วก็นนหนาวปากแตกแล้วก็เท้าก็แตกด้วยเจ็บมากแล้วก็แต่ว่าเวลาเดินนะคะพระอาจารย์เดินแร ก, แรก ก็คิดว่าประมาณสักชั่วโมงแรกคิดว่าโออไม่เดินต่อดีกว่าไหมอ่ะก็คิดว่าอย่ารดีกว่ามาแล้วเดินต่อดีกว่าเขาพอเดินต่อเดินแล้วเดินอีกเดินแล้วเดินอีกเดินจนเพลินเลยค่ะพระอาจารย์ตอนนั้นก็ว่าโอ้มันก็ไม่เจ็บความเจ็บก็หายไปค่ะพระอาจารย์อนี้คือเป็นสติใช่ไหม่ะอาจารย์ได้เป็นสติชนะกิเลส กิลสที่คอยพยายามจะดึงเราไม่ให้ไม่ให้เดินเนี่ยพอชนะมาหน้าที่ก็เบาสบายไปเลยเจ้าค่ะตอนที่ต่อสู้กันนี้มาอยากจะอยากจะอยากจะเลิกอยากจะเลิกอย่างนั้นเลยก็เวลาหยุดจุดเมื่อไหร่ก็เจ็บเมื่อไหร่หยุดก็เจ็บหยุดก็เจ็บก็เจ็บก็ไปนั่งนั่งก่อนที่จะนั่งก็นั่งก็เหมือนกันพก่อนที่จะนั่งก็เจ็บแต่พอนั่งแล้ว มันก็ไม่เป็นไนรพอคลายออกมามันก็เจ็บต่อเพราะนึกว่ า, วานี่คือชีวิต ท, ที่การไปอยู่บนเขาที่ผ่านมานะคะพระอาจารย์แล้วก็ได้ลงมาข้างล่างไปเดินที่ทางเดินก็ไปจุดเทียนแล้วก็เดินประมาณตีสามตีสี่ตีห้านะก็ก็ลงมาสามารถเดินได้ก็ ถือว่าเป็นขั้งแรกเหมือนกันค่ะว่าอาจารย์ที่ว่าตัดสินใจที่เดินก็เดินนะเพรโอเคค่ะว่าอาจารย์ ม, มันทําให้เราได้ทําในสิ่งที่เราไม่กล้าทํานะใช่ใช่เจ้าค่ะนั่นะก็คือสิ่งหนึ่งที่ว่าทําให้เราโล่งสิ่งที่หนักหนักสิ่งที่มีว่าอยู่ในใจที่มันกังวลมันก็เบาแล้วก็ ผ่อนคลายไปได้เยอะมากเลยเหล้วพ่อจาโอเคทำต่อไปนะเจ้าค่ะพ่อจสาตา ค, คุณมาเรียนเป็นยังไงคุณมารีไม่นก็มีปาาัญหาเลยปฏิบัติแบบราำเลยหลวง่อค่ะไม่ไม่ไมีค่ะหลวงพอ่อก็้าปฏิบัติอยู่ค่ะหลวงพอ่อแต่ว่ามันก็ได้ได้คาว่าได้เห็นข้อ ข้อดีอะค่ะหลวงพ่อคือว่าปฏิบัติแล้วมันก็เห็นเห็นว่ากายกับจิตเนี่ยมันเป็นมันแยกกันมันไม่มันคนละส่วนคนละตัวกันคนละตัวกันค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็ที่ที่มันทุกเนี่ยมันเหมือนจิตเราอะมันไปยึดมันไปหลงตัวเองว่าหลงกายเราหลงหลงว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วร้ายคนนั้นคือเราไปยึดกายคนอื่นด้วยเงี้ยค่ะเพรอมันก็เลยมันเห็นเห็นว่าเออเนี่ย มันก็เลยเกิดเกิดกิเลสเกิดอะไรอยากให้เขาไม่ดีปลอดภัยมีความใช่ทุกอย่างค่ะมันก็เลยมาทุกมาทุกมาทุกอยู่ที่จิตที่ใจของเราแต่พอพอหนูปฏิบัติแนละ้วมันเห็นเหตุแบบนี้ค่ะหลวงพ่อมันทําให้พอเรารู้เหตุเนนะี่ยมันทําให้ใจเราวางจากไอ้สิ่งเหล่านี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกว่ามันเฉยเฉยมันไม่ทุกข์เหมือนแต่ก่อนอย่างเนี้ค่ะหลวงพ่อที่ ที่วันพุธที่แล้วที่หนูกลับบ้านไปอะคือแม่หนูเขติดโควิดใช่ป่ะคะหลวงพ่อแล้วต้องนอนโรงพยาบาลแบบด่วนอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือมันมันมันใจมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่ว่ามันว่าวุ่นขุนมวลหรือว่ามันเป็นทุกขมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะหลวงพ่อมันมันมันแค่มันมันเฉยได้ค่ะหลวงพ่อมันก็แค่คือแค่รับรู้ว่าเออแม่ป่วยเรามีหน้าที่ไปดูอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็ไปหนูก็เลยมาสังเกตเออทำไม ทำไมใจมันมันมันเบาเบามันวางวางมันมันถอยถอยแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราเราจะไม่ทําหน้าที่อะไรอย่างเนี้ค่ะหลวงพอหนูหนูเห็นเห็นอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อแล้แล้วพอเห็นอย่างเนี้ยปุ๊บใจมันถอยถอยวางวางแล้วยิ่งทําให้การปฏิบัติของหนูอะ่ะมันมันดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะหลวงพอยังปฏิบัติยังนั่งสมาธิอยู่ประจำอยู่นะไม่ขาดเลยสักวัน สมาธิเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ใจเราเฉยคปัญญาเพียงแต่เป็นผู้บอกให้เราเฉยแต่จะเฉยได้ไม่ได้ก็อยู่ที่สมาธิค่ะแล้วแล้วเหมือนเหมือนเหมือนหนูหนูจะรู้สึกว่าเรารู้เกี่ยวกับลมอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันเหมือนมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยเออจิตใจมันมันไม่เหมือนแต่ก่อนเลยอ่ะค่ะหลวงพ่อมัน มันเฉยๆมันเน่งอล้มันเน่งแล้วมันไม่ว้าวุ่นขุนมัวข้าหลวงพ่อแล้วก็ไม่ได้ไปรู้สึกตื่นเต้นทั้งทั้งที่ช่วงนี้เขามีงานมีเทศกาลหรืออะไรเงี้ยก็คือเฉยๆอ่ะค่ะหลวงพ่อจิตมีสมาธิหล่อเลี้ยงจิตใจข้าหลวงพ่อแล้วแล้วพอมีเวลามันก็จะแวบมาทางทางเนี้ยมากมากกว่าอย่างเอื่นนะคะหลวงพ่อมันไม่ได้ไปกระโดด ค่ามหนาต่อไปนะวันนี้ต้องอต้องรีบหนยมีคนรออยู่ยาวค่ะกลบาพคุณหน่มพ่อค่ะโอเคไปที่คุณปุ้ยตาคุณปุ้ยลักษมณเบิกอ่าตามอาจารย์ค่ะอาจารย์คุณปุ้ยสบายดีค่ะอ่าดียังหายใจได้อยู่ก็ถชอว่าใช้ได้นะ อยากจะมารายงานผลเพราะว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของปีโยมก็ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สั่งสอนปีนี้เป็นปีที่สองที่ว่าโยมเอถือศีลเจ็ดกลางวันมาถือศีลแปดกลางคืนเอโยมก็ตั้งใจนะคะโยมไม่พยายามผิดศีลถึงแม้จะออกไปทําธุระแต่อาทิตย์ที่ผ่านมา โยมอาจจะทําธุระเอกสารเยอะแต่ว่าโยมก็ยังนั่งสมาธิเพราะโยมยึดยึดยึดข้อที่พระอาจารย์พูดว่าเวลาไม่สําคัญแต่ใช้สติมาบังคับะเหมือนกับอะไรนะเอาเอาเ อ, า อ, าอาสติเข้ามาสู่ลมหายใจเออเข้ามาสู่พุโทโธอ่ะเอาพุโทโธเข้ามาเข้ามาเป็นที่เดียวกับดวงใจอ่ะเโยมจําได้อย่างนี้ยแต่โยมพูดไม่ถูกอะ่ะพระอาจารย์ให้มันนบเกกันให้มานแบสติกัน ใช่ยมและยมก็จําได้ที่พระอาจารย์สอน ต, นต้นต้นปีว่าเวลาไม่สําคัญเวลาอาจจะน้อยแต่ถ้าเรามีสติเราเอาพุโทโธเข้ามาในหัวใจได้ให้เป็นที่เดียวกันนลมันจะนิ่งมันจะสงบและมันจะรู้สึกดีและยมรู้สึกว่าดีคะ่ะเพราะว่ามันมีเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้แล่นแล่นลงมาที่หัวใจแล้วมันเหมือนกับอะไรมันรวมกัน มันเปินแค่แป๊บเดียวพระอาจารย์มันเป็นเหมือนอย่างกับไม่ถึงเสี้ยวนาทีอะแล้วมันทำให้โยมฟังพระอาจารย์นี่แหละแล้วโยมก็ทำตามนะแต่ว่าโยมถูกกิเลสสมานมันแกล้งโยมโยมโยมตื่น่ะตีสามครึ่งใช่ไหมพระอาจารย์ทีนี้มันเป็อนอะไรกันนู้หรือว่าห ร, หรือว่าโยมยังมีความขี้เกียจอยู่เป็นกำลังเพราะว่าพนนั่งสมาธิไปเนี่ยประมาณสักสี่สิบนาที ยมยมไม่เดินนะพระอาจารย์ยมไม่เดินจงกรมเพราะยมกลัวผีเอะอยมก็ัแล้โยมก็นั่งแล้วพอยมลุกขึ้นมายมกลับมานั่งที่เดิมอีกทีหนึ่งมันเหมือนกับอะไรไม่รู้มันมาแกล้งยมให้ยมหลับอ่ะพระอาจารย์แล้วยมก็เลยแบบเหมือนมันเหมือนกับหลับคาไปแต่ว่ายมนั่งนั่งทบทบกลางวันอ่ะเออกลางวันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยมนั่งได้ดี มันเป็นช่วงๆนะบางวับางครั้งโยมนั่งได้ดีกลางคืนบางครั้งโยมนั่งได้ดีกลางวันนะคะ่ะก็ดีอม่รู้แต่ว่าช่วงไหนดีไม่ดีแล้วโ<ป>ยมก็ยังปฏิบัติแต่ว่าโยมคิดว่าปีหน้าโยมต้องมีความเพียรมากกว่านี้ค่ะอาจารย์เอาไว้ต้องรอปีหน้าเลยวันนี้ก็ได้นียเอาวันนี้ก็ทำกันวันนี้วันนี้นปีหน้า คิดมากแต่ก็ทําอำเราก็ยอมก็เดินออกไปจุดเทียนแต่ว่ายอมก็ไม่ลืมว่าเราเป็นคนพอพอไปถึงปีหน้ามันก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปปีหน้าก่อนยอมยอมทําทุกวันแต่ว่าแบบคือเราก็บอกว่าต้องเพียรมากกว่านี้ต้องเพียรต้องแต่วันนี้เลยพอคิดได้ปุ๊บก็ต้องทําเลยไม่งั้เดี๋ยวมันก็หลอกเราเดี๋ยวพอถึงพรุ่งนี้บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทํา มันนี้ไม่ว่านะมันเหมือนกับเวลาแบบเราไม่มันเหมือนกับที่ท่านอาจารย์พูดจะถูกค่ะเพราะเราไม่รู้สึกนะว่าเมื่อก่อนนี้เรารู้สึกเป็นเต้นอย่างอุ้ยจะปีใหม่แล้วอุ้ยจะคิดมัดแล้วเราต้องฉลองอะไรอย่างนี้วันนี้เรารู้สึกเฉยๆมันรู้สึกมันเหมือนเป็นวันวันหนึ่งซึ่งมันจะต้องผ่านไปมันจะต้องผ่านไปแล้วเหมือนกับว่าเราแก่หรือไงวะเออคือเราคิดมันคิดแตกต่างจากคนอื่นแล้ว แล้วอย่างอย่างลูกมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกตื่นเต้นแต่ว่ามันอาจจะเหมือนกับว่าเราใจแบบเขาเรียกว่าใจอะไรนะพระอาจารย์ที่ว่าเย็นนะเหมือนคนเย็นชาหรือเปล่าคะถ้าเราเรามีรู้สึกตืนเต้นเราไม่รู้สึกว่าแต่เรามีของฝันให้ให้เด็กแต่ว่าเราไม่ได้เสร็จเหมือนกับเมื่อก่อนนี้เหมือนกับทุกบ้านนี่โอ้ยจัดงงจัดงานอะไรอย่างนี้คือ เราก็สวดมนต์ของเราอะ่ะเราอยู่ในมุมของเราเราก็สวดมนต์ว่าคุณจะทำํำหรอคุณจะกินเรากนราินเหมือนชาวบ้านคิณกินได้แต่ว่าถึงเวลาฉันก็ต้องสวดมนต์เห็นชันนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็คือวันวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วและเราผ่านมันตั้งสามร้อยกว่าวันแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ต้องเป็นวันวันหนึ่งแล้วคือยมยมท่านอาจารย์คิดว่าคนที่เขาอยู่กับเราอย่างลูกชายเราเนี่ยเขาจะคิดว่าเราเป็นคนยินชานีมฮะ อเขาจะคิดไม่คิดมันเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เราไม่ต้องกังวลให้เรารู้ว่าเราสบายเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายก็พอแล้วไม่ อ, าอยาคิดเงินกับเรื่องของเขาไปห้ามเขาไม่ได้ไม่ได้ไว้กับใครแล้วแบบเราก็รู้สึกเรารู้สึกมันก็ไม่มีความทุกข์แต่คนเลยก็ไม่มาทุกข์มาสุขมาแทนเราได้หรอเราเป็นคนรับทุกข์รับสุขของเราเองเพราะว่าจะ โยมรู้สึกว่าในเวลาสองปีที่ผ่านมาที่โยมตั้งใจรับฟังธรรมและปฏิบัติตามพระอาจารย์จริงๆนี่คือโยมรู้สึกว่าเวลามันใกล้ฝั่งแล้วสำหรับโยมโยมอาจจะมีมีโรคภัยแต่ว่าโยมจับได้จับจุดได้สิ่งหนึ่งจากพระอาจารย์คือว่าให้ใช้สมาธิก็คือให้ใช้พุโทโธในการรักษาตนและโยมก็ทาได้โยมก็เลยว่าจะไม่ออกไปไหนแล้วละ่ะจะอยู่ตรงนี้แล้ว และโยมก็ <S <S มคิดว่าทางเนี้ยมันเป็นทางสว่างเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าถึงเราจะไปมีครอบครัวหรืออะไรเงี้ยเราต้องมีเริ่มนับศูนย์แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเป ล, ลอีกเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบคี้หึงเราเป็นคนที่ติดอยู่ในโลกไม่ได้เราต้องติดอยู่ในธรรมโยมรู้โยมไม่โทษคนอื่นหรอกโยมโทษตัวโยมเองพระอาจารย์อืโยมก็เลยว่าเดินทางธรรมเนี่ยมันดีที่สุดนะสำหรับโยม อ๋คนยิงยมีะไม่เหมาะหรอกจะมีคู่อ่ะอดนะดีมากขอให้นี้<า>ก่อนนะคนปุ้ยเดี๋ยวเวลามันใกล้จะหมดแนละ้วขอให้พระอาจารย์ธาตุฐันแข็งแรงเจ้าค่ะาสาธุสาธุให้คนปุ้ยไปสวรรค์บรรลัยพานต่อนะอสาธุค่ะโอเคอาจารย์สายทิพย์เชิญขอนแก่นนะอย่ที่ไหนเอ่ย แอบนมัสการพระอาจารย์เจ้าข่ายอายุขอนแก่นค่ะขอนแกนมันเดิอยู่บ้านเนอะอยู่บ้านค่ะแต่นี้อยู่ในร้านค่ะพระอาจารย์ตึกข้างหน้าที่ขอนแกนก็มีร้านที่สารคามก็มีร้านที่สารคามก็มีร้านหุ้นกับเพื่อนแล้วก็ตอนนี้ขายขายขา ย, ขายในส่วนของตึกออกไปอีกครึ่งหนึ่งแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ได้บบาแต่ได้เบาเหลือครึ่งเดียว ไว้นิดเดียวเหรือว่าห้าห้าห้าวันแล้วก็จะขายเว้นต่อเอาไว้เอาไว้หน่อยๆค่ะเพราะว่าตรงนั้นพอขายได้ดีค่ะพระอาจารย์ที่ที่นี่ของแกนไม่ใช่ของเราที่บ้านนี้เป็นของเราเองอยู่บ้านเลยค่ะเพราะเออมีตึกเล็กตึกชั้นเดียวอยู่หน้าบ้านอยู่แล้วก็เลยเปิดค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเป็นหมู่บ้านชมไม่เลยค่ะพระอาจารย์เป็นในหมู่บ้านแต่เป็หมู่บ้านแค่หมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้าน เป็นเหมือนชนบทค่ะพระอาจารย์แต่ว่าหมู่บ้านใหญ่ยังไม่มีร้านยาแต่ว่าก็ลูกค้าไม่เขาไม่ได้เยอะอะไรเหมือนเหมือนที่สารคามค่ะพระอาจารย์ก็ <ๆ S 1> มีคนเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ม า, มานิ ด, น, ดนิดหน่อยหน่อยพอที่จะน่าจะพอขายได้ค่ะพระาอาจารย์พออยู่ได้นิดหน่อยไมดีมีไรายได้ไม่เงี้ยปากเนี้ยทองนะค่ะเอาไวต้ตอนตอนเผื่อเผื่อออกจากงานอะไรเงี้ยค่ะพระาอาจารย์ เรพอให้แบบไม่ต้องกังวลใจว่าจะไม่มีไรายได้ไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยค่ะงานสอนก็ยังสอนอยู่ยังไม่สอนค่ะไปกลับไปค<ม>่ะพระอาจารย์งานสอนก็ยังเป็นหลักอยู่ค่ะ<ม>แล้วก็กลับมาเปิดร้านแค่ห้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มค่ะพระอาจารย์เปิด<ม>เปิดไม่นานแล้วก็<ม>ปิดก็นั่งทํางานอแต่ช่วงนี้ก็จะยุ่งๆหน่อยค่ะพระอาจารย์ช่วงปรับก็เลยหนักหนักงานค่ะ แต่ก็น่าจําเป็นต้องทำก็ต้องทําเลยนะค่ะมันทำสร้างสร้างไปแล้วแล้วก็ต้องดูแลหลานชายด้วยค่ะพระอาจารย์ดีอยู่ก็เขาเขาไม่สบายป่วยเป็นสะเก็ดเงินแล้วหมาบอกว่ามันไม่ต่อบสนองต่อการรักษาเดิมต้องรักษาที่ที่ต้องใช้ยาฉีดที่แพงค่ะพระอาจารย์เข็มละห้าหกหมื่นปิดสองเดือนครั้งแล้วก็โอ้อะไรองเนี้ยฉี่กี่ครั้งต่อเดือน สองเดือนฉีดเข็มหนึ่งค่ ะ, ะพระอาจารยัยงดีนานๆหน่อยนะนานไหม่ก็เลยช่วยๆกันกับพี่สาวค่ะก็เลยเปิดรัคนาเพื่อหลานสาอตอนแรกหนูกะว่าห้าสิบห้าอาจจ ะ, กะเกษียณได้ก็เลยบอกโอ้ไ้นสงสัยจะยังไม่ได้กเกษียณก็ทํางานไปก่อนค่ะพระอาจารย์ช่วยช่วยหลานชายก่อนอื ม, อ ม, อมค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ปล่อยวางได้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์ใครอยากทําอะไรก็ ไม่เป็นไรก็ทําไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกสิ่งก็ยังสิ้นเจ็เอยูสสส่สิ้นหกสิ้นหกสิ้นหกค่ะพระอาจารย์อเจ็ดแว่งๆค่ะสิ้นเจ็ดได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 1> แต่หก ไ, ได้แน่นอนค่ะพยายามพยายามทำไปได้เลยค่ะอย่าค่อยๆเติมไปให้เจ็ดให้แปดแต่ก็เออ พอทำงานเยอะๆสมาธิไม่เข้ายากเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ไม่ไม่ไม่มีเวลาเจริญสติมันใช่ค่ะคิดมากใช่คิดมากนานมากกว่าจะจสงบไม่ไม่มีคำถามคับพระอาจารย์เดี๋ยวตั้งแต่ปฏิบัติค่ะโอเคสาธุสาธุค่ะขอบคุณตายปิยาไปเชียงไหมหรือยางเนี่ยยังกลับมาสัการั้ะพระอาจารย์ ไปพรุ่งนี้ค่ะพระอาจารย์ก็นะค่ะก็วันนี้ตอนแรกว่าจะถามแต่ยังยังไม่ถามดีกว่าค่ะเพรา ะ, พระเวลาพระอาจารย์จะหมดละถามได้ถามได้อยู่อ๋อคะ่ะก็พอดีว่ า, อาตอนนั่งสมาธิถ้าอยู่ถ้าอยู่เอาเอาจิตใจหรือว่า เอาที่เรานั่งสมาธิฟังทำฟังสิ่งธรรมจากพระอาจารย์อ่ะจะอยู่ได้นานแล้วก็ไม่รู้สึก เ, เป็นเน็บชาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์อันนี้เพราะเรามีสติใช่ไหมคะเรามีสติใจเราไม่ ไ, ไปคิดปรุงแต่งอย่างเช่นุกอยากจะออกเนี่ยมันก็เลยไม่ไม่ไม่ ไ, มไมปนสนใจเรื่องร่างกายไม่ไปสร้างความกระทบกระเทืเอนให้กับร่างกายอ๋อก็ดีเจ้าค่ะ ถ้าอย่างนีเ้เราก็จะต้องติดเสียงธรรมไปตลอดเราไม่สามารถที่จะนั่งแบบแบบแบบไม่มีเสียงธรรมได้ใช่ไหมคะอาจารย์<ช>หรือว่าเมื่อเราฟังธรรมเสร็จล้วก็ต้องนั่งต่อเลยปิดเสียงธรรมแล้วก็เราดูลมหายใจว่าดจะดูได้หรือเปล่าเพราะถ้าถึงระดับนั้นมันน่าจะนั่งต่อได้ค่ะอ า, าจารย์เดี๋ยวไว้ ไว้จะลองทําดูเพราะว่าโยมคิดว่าโยมเอ๋ยโยมติดเสียงธรรมผ้าอาจารย์หรือเปล่าเก็ไม่ควร น, นะมันก็ต้องต้องอาศัยเสียงธรรมก่อนถ้าเราไม่มีสติพอที่จะทําด้วยตัวเราเองเราก็ต้องอาศัยการฟังธรรมไปก่อนค่ะแต่การฟังนั้นจะไม่จะไม่คิดอะไรนะคะพระอาจารย์จะจะฟังแล้วก็จะทําความเข้าใจกับเสียงธรรมพระอาจารย์จะไม่คิดแบบ ไม่คิดว่ามันไปทางไหนหรือว่าจะอะไรนะคะพรใจมันมีงานทําไงมันก็เลยมไม่มันไม่ไปคิดถึงเรื่องการที่จะไปทํานู่นทํานี่มันก็ไม่มันก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่วุ่นวายมันมันสบายก็ดีนะแต่ควรจะลองนั่งต่อแล้วจากทำเสร็จเราทำเสร็จแล้วลองนั่งดูลมต่อไปดูจะยนั่งได้นานสเท่าไหร่ เจ้าคะพะอาจารย์เดี๋ยวเขาหน้าจะลองลองทําดูค่ะแล้วต่อไปก็ถ้าอยากจะไม่ต้องไม่ไม่ต้องอาศัยการฟังธรรมก็ต้องฝึกสติให้มากมากก่อนมานั่งมันต้องฝึกสติทั้งวันคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดนะถึเวลานั่งก็อาจจะไม่ต้องใช้ฟังเสียงธรรมก็ได้แต่ต้องใช้การสวดมนต์แทนไปก่อนก็ได้เจ้าคะพะอาจารย์ค่ะวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์ แต่ตอนที่ตอนที้ยังต้องอาศัยเสียงทำดูก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเป็นที่ยึเดเนี่ยนะตอนทำมันก็ได้ความสง บ, บแต่มันไม่ลึกเท่ากับการที่เราดูลมเองเมือพูดโทเองค่ะ อ, อาจารย์ขอบคุณแม่สาวตัวเราไปที่คุณใหม่คุณหมอใช่ไหมคุณหมอใหม่ใช่ไหมผัดเดีรัสกัรค่ะ อ, อาจารย์หมอใหม่ค่ ะ, ะก็ หนูก็ปฏิบัติต่อเนื่องค่ะระหว่างวันก็ดูลมเรื่อยๆค่ะแล้วก็ดูความชอบใจไม่ชอบใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่แบบมีอะไรมากระทบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าไอ้ความชอบใจไม่ชอบใจอ่ะมันจริงๆแล้วแบบลากของมันมันคือการมีตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วมันก็เหมือนกับว่า แต่ก่อนอ่ะพอพอหนูดูเวทนาแล้วว่ามันจะอยากไปดับเวทนาแบบไม่ให้มันมีเวทนาใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันเข้าใจว่าทั้งหมดมันก็คือการทํางานของขันก็เลยดูไปแบบไม่ได้แทรกแซงแต่ว่าพวกความชอบใจไม่ชอบใจมันก็พอเห็นปุ๊บมันก็จะสั้นลงสั้นลงแล้วก็พวกโทสะอะไรมันน้อยอะคะ่ะ ก็ก็ดูไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ให้มันเข้าสมาธิแล้วความชอบใจไม่ชอบใจมันก็จะลดน้อยถอยลงไปค่ะแล้วก็ตอนที่นั่งสมาธิก็นั่งให้สงบเหมือนเดิมค่ะก็ไม่ได้สนใจพวกนิมิดต่างๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอมันเหมือนกับแต่ก่อนเวลามีปิติอะค่ะหนูก็จะรู้สึกว่ามันมีความสุขไปกับปิติ เหมือนมีเหมือนมีเราเป็นผู้สุขอยู่อะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันรู้สึกว่ามันมีปิติสุขแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนว่าเราไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วมันก็เลยไม่ต้องไปยินดีค่ะมันเหมือนกับว่ามันมันมันเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสภาวะได้เลยค่ะแม้กระทั่งตอนที่จิตมันปรุงแต่งเป็นความสว่างอะไรแบบ พวกสภาวะที่มันหมือวะเลยค่ะแต่ก่อนมันจะมีความภูมิใจแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีไม่มีไป่ไมเฉยๆให้รเฉยๆไปไม่ชอบชไม่ชังไม่นักไม่ชังเฉยๆไปแล้วมันเหมือนกับว่ามันยอมรับแล้วมันก็เข้าใจว่าทั้งหมดคือการทํางานของขันอะไรเงนี้ค่ะให้รู้เฉยๆตัวหมายของการปฏิบัติก็คือสอนใจให้ปล่อยวางทุกอย่าง<ะ>อย่าไปยินดียินไค่ะ ก็หนูทบทวนดูกิเลสตัวเองอะค่ะพวกรูปรดกลิ่นเสียงก็คือหนูยังมีข้อบกพร่องเรื่องหนูชอบกินอยู่ค่ะก็ยิ่งช่วงปีใหม่แบบคนชอบเอาขนมมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูใจตัวเองกระเพื่อมอยู่เรื่อยๆเลยค่ะคือเอาอะไรมาให้ก็เฉยๆแต่พอเป็นขนมปุ๊บมันรู้สึกว่ามันแพ้ทางค่ะก็แล้ววันนี้ก็ได้ฟัง เทพพอาจารย์ตอนบ่ายสองอะค่ะพอาจารย์เทศเรื่องเรื่องการกินนะคะว่าให้ลองกินแบบเอาทุกอย่างผสมกันเหมือนตอนอยู่วัดดูก็อาจจะเดี๋ยวหนูจะเอาลองไปปฏิบัติดูค่ะเผื่อว่าจะช่วยช่วยได้เดี๋ยวเราเลือกสื่ออาหารเวลามันเข้าไปรวมเป็นในเท่าแล้วรูปล่างหน้าตามันเป็นยังไงมันก็น เ, เป็นปฏิกูลค่ะพยายามพิจารณาความเป็นปฏิกูลอยู่ค่ะอาจารย์ แล้วก็เรื่องการพลัดพากการตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยด้วยการทำงานมันเห็นอยู่เรื่อยๆก็เลยได้พิจารณาอยู่เรื่อยแต่ต้องน้มเข้ามาที่ตัวเราต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาอ๋อค่ะก็จะเพียรปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ก็ น, นี่ดีอย่างอยู่ใกล้อริยสัตว์ใกล้ความกาเกิดแก่เจ็บตายเห็นทั้งสี่อย่างเลย ตอนนีเ้เวลาเห็นใครเกิดอย่างเห็นเด็กเกิดก็รู้สึกเป็นห่วงค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเกิดมาเดี๋ยวก็ต้องมาเผชิญความทุกข์อะไ ร, ะไรมากมายมเจความแก่ความเจ็บความตายค่ะแต่ว่าพอเห็นการตายแล้วมันเหมือนกับว่ามัน ก, ก็เฉยอยู่ค่ะมีบททดสอบกับตัวเองอยู่ครั้งหนึ่งก็คือว่าหนูเคย ท้องเสียเยอะแล้วก็ความดันตกอะค่ะตอนนั้นมันเหมือนกับว่าความรู้สึกเหมือนกายมันจะแตกอะไรงเงี้ยค่ะแต่ว่าก็แล้วมันก็เหมือนกับดูดูความดูความความไม่ปกติของกายใจอยู่อะค่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบโหขนาดว่าเรา พิจารณาอยู่เนืองๆแล้วพอมาเจอสภาวะที่กายมันป่วยหนักอะไรเงี้ยค่ะมันมันยังรู้สึกว่าจิตมันยังมีความสัสสอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็จะจเพียรบ้านกับข้อสอบมันไม่เหมือนกันค่ะก็จะเพียรปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะก็ดีได้มีโอกาสได้ทดสอบหลวงหลวพระอาจารย์มีอะไรที่ให้หนูต้องไปทำเพิ่มไหมคะก็พยายามรักษาสติทั้งวันระหว่างวันให้มีสติตลอดเวลา แล้วคิดให้น้อยๆคิดเท่าที่ยังเป็นมีเวลานั่งก็นั่งสมาธิไปก่อนช่วงนี้ปัญญาไม่ต้องพิจารณามากก็ได้เราต้องการสร้างความนิ่งความเฉยให้ใจปัญญาเราก็รู้อยู่แล้วนีเป็นตายรักเป็นอ น, นิจจังทุกขังหน้าตาได้เช้าค่ะอาจารย์น้อมกราบอาจารย์ค่ะาสาธุคุณนริตาโหราใช่ไหมนริตา น้องกลับมาอาจารย์ค่ะเขาาจเจ้าค่ะถามว่ า, วามาคำถามมีอะไรบ้างอ๋อพอดีที่ผ่านมาไม่นานมานี้ขอคุณพ่อไปบวชแบบอย่างนิพพานชาตินี้อ่ะก็เลยขอไปบวชที่วัดมาเหยยงจริงยังไม่เคยไปวัดมาเหยยงเลยค่ะแต่ว่าสมัครเข้าไปในโครงการฝึกจิต ก, กับชีวิตประจําวันมาหลายเดือนแล้วค่ะเขาจะส่งคลิปมาทุกทีห้ามีคลิปนําภาวนานําเบืนตรงกง้มนํานั่งภาวนาแล้วก็มีธรรมะบรรยายค่ะ ก็รู้สึกว่าเออก็ถูกจะหลิดแต่ว่าท่านก็จะสอนให้เห็นปรัชญา ธ, ธรรมแหันเห็นไปทางวิปัสนาเยอะหน่อยนะคะทีนี้หนูก็เลยขอคุณพ่อไปปวดแต่ก็มีเรื่องราวใหญ่โตที่บ้านคุณพ่อก็จะตัดขาดจะไม่ให้กับบ้านจะไม่สบายก็จะไม่ให้มาดูแลอะไรเยอะแยะแล้วหนูก็ยังไม่ยังไม่ขม <จะ S 1> แข็งแกร่มากพ อ, อเนี่ แล้วหนูก็ไปวัดยากอะคะ่ะแบบยังยังตอนนี้ยังยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหว้หลวงพระอาจารย์ยังไงแต่ก็ยังไม่อยากจะกังวลตอนนี้ค่ะแต่ว่าก็เลยปฏิบัติอย่างน<ม>ี้ไปก่อนแล้วกันตอนนี้หนูก็เลยได้แต่ปฏิบัติอยู่ที่บ้า น, น่ะคะออ่ะแล้วก็ปีที่แล้วที่ที่กลับเรียนหลวงพ่อว่าอยากฝุกอานาปนสติพอดีสวนโมกกรุงเทพมีเรียนอานาปนสติทางซูมาค่ะเป็นคอร์สแปดเดือนหนูก็เพิ่งเรียนจบไป ตอนนี้หนูก็เลยพ่อตอนนี้คุณพ่อก็เลยอนุญาตให้ปฏิบัติที่บ้านได้แบบมากเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่มากได้อหนูก็จัดการทำนี้เป็นฝ่ายก็เลยทำนี้ไป็นฝ่ายก็เกลยเพราะเพราะครอบครัวไม่มีใครจะดูแลตัวเขา้เขาเลยต้องอืถ้าเราไปบวชนะก็ไม่มีใครจะดูแลก็คือคือหนูจะบ้าไหมคะหนูจัดเวลาได้ประมาณเก้าเ้าถึงสิบชั่วโมงเขาก็ให้หนูปฏิบัตินะคะ แต่ว่าหนูก็กะว่าจะช่วยงานที่ร้านตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายแล้วก็ตื่นระเบิดีบาตอนที่ีสามตีสองตีสามก็ได้สามชั่วโมงแล้วหกโมงก็ต้องมาทาเก๊กข้าวแล้วก็ตอนเช้าช่วยงานที่ร้านตอนบ่ายก็ขึ้นไปเบิดข้างบนแล้วแล้วก็ตอนเย็นก็ลงไปอีกค่ะคุณแม่ฟังธรรมแล้วก็ตอนค่าก็ปฏิบัติได้อีกประมาณสามชั่วโมงเนี้ยค่ะแล้วก็นอนวันหนึ่งก็จะได้ประมาณแปดเก้าสิบชั่วโมงอะค่ะอย่างนี้ก็ดีก็ดีทำนี้เป็นก่อน เรายังเหมือ น, น, นยังขึ้นทางด่วนไม่ได้ก็ครับก็อยู่ใต้ทางด่วนไปก่อนอันนี้ยังก็ยังน้อยไปใช่ไหมคะสําหรับการจะไปนิพพานชาตินี้อ่ามันก็ต้องปฏิบัติตลาดเวลายกเว้นเวลาหลับแทนอ๋อพระอาจารย์เจ้าคะแล้หนูจะบาปไหมคะว่าหนูแบบไม่ได้ตอบแทนคุณพ่อด้วยการช่วยงานคุณพ่อเหมือนกับที่คุณพ่อให้ทำงานตอนบ่ายคนเดียวอย่าเงี้ยคะ่ะก็ไม่บาปแต่ไม่ได้บุญไม่ได้ตอบแทนบุนคุณไม่ได้กกระตันอยู่ อ๋อค่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปการเอาเกี่ยวเพรคุณพ่ออนุญาตแล้วใช่ไหมคะอืถ้าเราไม่ได้ทําตปแทนมันเคยก็ไม่บาปเพียงแต่เราไม่ได้ไม่ได้ทําบุญกับท่านนั่นเองค่ะแต่แว่าเราก็คุณแม่ก็ฟังคุณแม่แมฟังธรรมของวัดมาเหยยองกับหนูคุณแม่ก็ชอบเพรตั้งแต่หนูขอตัวคุณแม่ก็เลยมาปฏิบัติธรรมเป็นเพื่อนหนูหนูก็ได้พาคุณแม่ปฏิบัติธรรมทุกวันต่อฟังธรรมก็ดีก็ดี ต่อไปถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่กั็เราก็อาจจะไปอยู่วันด้วยกันอะไรก็ไดนะ้อ๋ออันนี้เคยชวนกันอยู่จ้าค่ะแล้วก็ในปฏิบัติไปประเดี๋ยมาก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนจะปฏิบัติไม่เป็นก็เลยอยากจะเล่าการปฏิบัติให้ท้าอาจารย์ฟังก็คือวันนี้ไม่มีเวลาทำหนะออ้าเอาอ๋อได้ค่ะนั้นเดี๋ยวรอขอตอบขอตอบคำถามอย่างเดียวว่าพอนะโ อ, อ้คนะาถามงั้นถามข้อเดียวแล้วค่ะ <Okay. S 2> ปฏิบัติระหว่างวัน หนูยังงงๆว่าจริลตัวเองเป็นยังไงแต่ว่าช่วงนี้หนูชอบหนูชอบที่จะอยู่กับลมก่อนแล้วก็เข้าพุทออกโทรแต่ถ้าพุทโทเป็นรู้สึกว่าพุทโทมันหนักไปเป็นฮาร์ล้หนูก็จะไม่มีพุทโทแล้วมีอยู่กับลมเข้าลมออกแล้วตก็เวลาที่ค่ะแล้วเวลาที่มันไปมันมันไปรู้สึกที่ขาบ้างหรือที่เวทนาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีมันรู้สึกตัวว่ากําลังฟังอยู่กําลังเคี้ยวอยู่ หนูก็ไปรู้สุกตรงนั้นได้ใช่ไหมคะแล้วพอมันจบตรงนั้นไปหนูค่อยกลับมายูที่ลมมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเอาความจริงการดูลมนี่ให้ดูเฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่เานั้นเวลาอื่นไม่ต้องดูลมดูงานที่เรากำลังทำอยู่กำลังเคี้ยวก็อยู่กับการเคี้ยวกาลังกินก็อยู่กับการกินไปค่ะอย่าไปดูลมเอาเอาการเคลื่อนไหวของร่างกายร่ <S <S างกายทาอะไรก็ดูดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไป นมนมนี่ไว้ดูเฉพาะเวลานั่งเฉยๆนั่งหลับตานั่งสมาธิค่ะถ้างั้นตอนนั่งสมาธิหนูหนูเ้าก็ทำอานาปานสติไปใช่ตอนเดินจงกรมก็กายยักตาสติไปให้ดูดูร่างกายไปออตอนตอนเดินจงกรมหนูก็ดูดูเท้าดูกานเคื่อนไหวดูการกระทบพื้นไป แระหว่างวันหนูก็ดูอิริยาบทความรู้สึกไปใช่ไหมคะใช่ทำอะไรก็รู้สิงที่เรากำลังทําอยู่อย่าไปอย่าสนใจไปที่อื่นกินข้าวก็อยู่กับการกินข้าวน้ําก็อยู่กับการน้ำน้ำโอ้ดูค่ะข อ, ขอจัดได้ค่จัดเดี๋ยวถามรอบหน้าต่อจ้ะค่ะโอเคได้ถามทุกคนเจ้าหัวน้องกับเ จ, จ้าค่ะเชิญคุณอาคิตะใครนะอภิชัยเะคุณนอภิชัยใช่ไหม นั่นเท่านั้นเลยการานรั ก, การพระอาจารย์ครับมีอะไรไหมผมไม่มีคาถามครับโอเคองี้ยก็ผอผ่านไปก่อนเลยนะครับคุณประนอมเซเลอร์มาริกนมีอะไรไรเปล่าไม่มีจ้ะค่ะกลั บ, า, า, บานมนะัต ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะฟังธรรมเมิเทสบ้นนะนัตการ ดินเนอร์คงฉลองกันเต็มที่เลยมั้งการเริ่มราค่ะเดี๋ยวนูนี่สิบโมงเช้าก็ต้องไปบ้านลูกเลี้ยงก็ไปทําหน้าที่เจ้าอํานวยวนี้ก็ต้องก็ต้อกินข้าวรวมกันแล้วเช่นบ้านใช่ใช่เจ้าค่ะวันนี้พวกก็ไก่งวงเหมือนเดิมว่ะกินไก่งวงบ้านนี้บางคนเป็น vegetarian ลูกเลี้ยงคนแล้วก็ก็จะทานกันง่ายๆเจ้าค่ะอืม supper ไม่ใช่น i n n e r นะค่ะเอ p e r ค่ะ ก็ไปอยู่เป็นเพื่อนลูกค่ะแล้วก็กลับมาปฏิบัติเหมือนเดิมโอเคสาธุความสุขมากนะการพบธรรมสการนะคะยังปฏิบัติอยู่อย่างสม่าเสมอก็ลดลดการทำงานลงอีกสองวันก็ตอนนี้เหลือเก็บไว้แค่สองวันพอเลี้ยงชีพเราเวลากกับการปฏิบัติมากขึ้น มากขึ้นเจ้าค่ะปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอเจ้าค่ะโอเคแล้วก็มีเพื่อนได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็อ่าถึงเวลาได้ไปปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นที่วัดนี้เพื่อนไปค้างแล้วค่ะหลวงพอ่อเดี๋ยวา ม, ม, ามาไปกดปลามันกันน้องเขาอยู่เพชรบูรีแล้วก็น้องบอกพร้อมแล้ว อ, อ๋อโอ้ดีจังเลยโอ <Okay. S 2> เคการเมตตาการเจ้าค่ะ yeah. อย่ า, ากดปลาต่อปลามาเมไร อนนเอาใจางานไปนี่ทำทางเจ้าค่ะออกอาใจางานแล้วเลยเจ้าคะ่ะก็รอบนี้รอบนี้ น, นี่นหนังสือเราไม่ได้ก็ใช้วิธีส่งอีเมลเจ้าคะ่ะเออยังไม่ได้ออกเลยแต่แล้วยังไม่ได้ออกยังไม่เปินทางารกำลังจะออกค่ะช่วงกรุงพาอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะอ๋อต้องใช<อ>่ต้องบอกกเขาลงงานสองเดือนนะเจ้าคะ่คะอืมไอ้หนูหนูก็ หนูก็โลภนิดนิดนะคะรอบโบนัสเอาไว้เรียงชีพนิดน่อยะะอย่ค่ะนอันนี้ออกแล้วไม่ไปไม่ไหางานใหม่แล้วน ะ, ะเออหนูจริงๆหนูก็คิดแบบนั้ น, นะคะ่ะแบบลูกสาวเขาบอกว่าขออีกสักปีหนึ่งที่เจอพระาจาระะ์ค่ะหรืออีกปีเดียวหนูก็จะหนูก็เลยจะหาที่แบบมันมันไม่หนักเหมือนแบบเนี้กับเทียงคืนอะไรอย่างเงี้ย ก็แค่นี้ค่ะก็ก็เลยคิดว่าไอ้ที่ออกเนี่ยคือปฏิบัติธรรมน้อยเราเอาเรื่องปฏิบัติธรรมให้เหมือนเดิมดีกว่าเงี้ยเจ้าค่ะอ๋อสตีดีกว่าสตางนะเจ้าค่ะก็คิดว่าได้น้อยๆหนูไม่มีปัญหาเลยค่ะตำแหน่งไม่น้อยเหลือครึ่งนึงหนูก็แค่เอาเงินเลี้ยงลูกแค่นี้ค่ะเจ้าค่ะขอบคุณนจ้าค่ะคุณคันเช่น ไต้หวันเื่อลอะไรไเป็นการชิดสำมาเสรกันก็ไปกันไปฟังเทศไปนะโอเคเห็นไปที่คุณจอยต่อจอยวันนี้เข้ามาได้นะวันนี้เข้ามาได้ เ, นนเาาดพราะจอย ค, คือพี่ชวนกินทุกวันพูดทุกวันเลยค่ะแต่ว่าปุณณ์เนี้ยหนูพอดีตัวเล็กมันตามหนูหนูก็ขอว่าให้หนูได้มีบุญได้เข้าได้มาจริงค่ะ เอ้ยเขาชวนแบบมันอะไรกันอะไรกันเพราะว่าเรายิงอยู่ทางโลกด้วยอะค่ะอะมันต้องเข้าใจะขาไม่เข้าใจค่ะแต่ว่าหนูไม่ไม่ทิ้งข้อจิตหนูมันมาทางนี้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวหนูก็เข้าวัดมันยี่แปดยี่เก้าสามสิบอะโอเคค่ะสาธุค่ะเป็นพานุ ต, ต้าเป็นพานุตอยู่ที่ไหนเป็นพานุต กิดนรมศการเจ้าค่ะอยู่จังหวัดนนท บ, บุรีเจ้าค่ะมีอะไรไหมมีอะไรจะถามหมอืมหนูคิดว่าหนูหลงค่อนข้างเยอะแล้วก็ชอบตัดสินเจ้าค่ะเป็นยัง ไ, ไงตัดสินหมายถึงว่าเอ่อพอเห็นแล้วรู้สึกก็จะชอบตัดสินสิน่งที่อยู่ตรง้ ใช่ค่ะตัดสิงนเราต้องตัดสินด้วยอ น, นิจจังทุกขางะนาตตาต่อไปเห็นอะไรก็ตัดสินว่าเป็นอ น, นิจจังทุกขางะนาตตาถูกต้องที่สุดเจ้าค่ะอทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ถ้าเราไปยุ่งกับ เ, เขาเป็นเพราะเขาเป็นระนาตตาเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับเขาได้ตัดสินแบบนี้นีกว่าแล้วใจเราจะเบาใจเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาเจ้าค่ะ ราชการโ okay. อเคอ่คุณจ้าคนสุดท้ายวันนี้ไปเปิดกล้องพอดีเลยค่ะน้าราช ก, การค่ะพระจ้าพอดีดูเวลาแล้วบอกอุ๊ยมันจะจบแล้วต้องเป็นหนูแล้วแหละคนสุดท้ายเลยอ่ะเลยเปิดาระจ้าจบ อานูเขาถามคำถามนึงเกี่ยวกับเรื่องบุญบาปค่ะพอดีวันอาทิตย์ที่แล้วหนูฟังช่องเหมาวีแล้วมีคําถามจากทางบ้านแล้วพระอาจารย์พูดถึงขึ้นมาเรื่องว่าบุญแสดงผลก่อนบาปคืออันนี้หมายถึงในแง่ของการที่การกลับมาแบบการเกิดในชาติต่อๆไปถูกไหมคะแต่ไม่ได้ธาตุมนุษย์เนี้ยมันจะมันจ ะ, นจะเราจะโชคดีโชคร้ายโชคดีโชคร้ายสลับกันไปไม่ได้เกี่ยวกับบุญบาปแบบนั้นถูกไหมก็เกี่ยวเหมือนกันนะบางทีผลของบุญกับบาปมันก็ยังแสดงได้อยู่ แล้วถ้าอย่างนี้สมมติคนที่เกิดมาร่ํารวยสุขสบายแล้วยู่ๆก็คือไปติดคุกแล้วหลังจากติดคุกก็ยังหลุดออกมาอ่าแล้วก็ยังสุขสบายได้ต่อแล้วคืออย่างนี้คือแปลว่ายังไงเหรอคะในเงี้ยก็ไปทำบาปแล้วไปติดคุกกะไรใช่ <c oughs> หไหมแล้วเขาก็กรรมใหม่กรมใหม่เออที่ทั้งกรรมใหม่กรรมเก่ามันผสมกันบางทีก็กรรมเก่าบางทีก็เป็นตัวกรรมใหม่เป็นตัวส่งผล บางทีก็เป็นตัวกรรมเก่าโอเคเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ได้แปลว่าก็อีกอย่างก็คือบางทีก็เป็นกฎของอนิจจังไม่อยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหมค่ะเดี๋ยวธรรมชาติเกิดไฟมุ่งไฟไหม้มันก็มีผลกระทบต่องานเราก็ได้ใช่ไหมอืมเศรษฐกิจลงเศรษฐกิจขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอนิจจังใช่ไหมค่ะมันก็ไม่ผลกระเท่ากับตัวเราค่ะแล้วมันมีทั้งกฎแห่งกรรมมีทั้งกฎอนิจจัง ที่จะมีส่งผลกับชีวิตของเราในขณะที่เราเป็นมนุษย์ค่ะแต่เวลาที่เราตายไปนี่มันจะไม่เป็นกรรมอย่างเดียวคือบุญกับบาสนี่จะมาเป็นตัวแย่งใจเราไป<ะ>ใจเราปเป็นมนุษย์ฟุตบอลอะมีสองทีมจะมาแย่งกันใครเร็วกว่าก็ออาลูกฟุตบอลวิ่งไปก่อนค่ฮะฮัดชดาวก่อนถ้าบาสมีกําลังมากกว่าบุญบาปมันก็จะมันก็จะเร็วกว่าบุญมันก็จะเอาใจไป อาบายก่อนอถ้าบุญมีกําลังมากกว บ, บาบ่อมันก็มันก็จะเดินไปสวรรค์ก่อนออันนี้ช่วงที่เราตายนะช่วงที่มันจิตสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นบุญกับบาปันเป็นตัวมาจัดการแต่ช่วงที่อยู่ในในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นด้วยดินฟ้าอากาศธาตุสีนินน้ําลมไฟเนี่ยมันมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแปลป่วนไป แล้วผู้คนนอกข้างเรามันก็มีผลกระทบกับเราใช่ไหมค่ะมันมีหลายอย่างมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างนอกจากกรรมเ้ามันก็มีเรื่องของเสียงแวดล้อมต่างๆด้วยอ่าค่ะแต่ตัวหลักสำคัญก็คือตัวบุญกับบาปที่เราควรจะคอยพอเป็นตัวที่เราจัดการได้ะค่ะเราสร้างบุญได้สร้างบาปได้ แล่เรื่องอยังไงบางทีเราสร้างทำไม่ทไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติค่ะทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องจิตสุดท้ายขึ้นมานะคะแล้วปลสมมติว่าคนหนึ่งคนคนหนึ่งทำบุญเยอะมากมาตลอดเลยแต่ว่าพอตอนจิตสุดท้ายใกล้ๆจะตายอยู่ๆก็ไปนึกถึงบาปที่เธอเองเคยทำอย่างเงี้ยจะพาให้เขาไปใช้บาป นิดนึงนั้นก่อนแล้วเขาถึงได้ไปใช้บุญต่ออย่างนี้หรือเปล่าคะคำว่าจิตสุดท้ายที่ว่าก็เราอยู่ที่ว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่คิดถึงนั้นเขาผูกพันมากน้อยเพียงไรถ้าผูกพันมากก็อาจจะนึงให้เขาไปหาสิ่งนั้นก่อนทําให้เขายังไม่ได้ไปรับผลบุญผลบายัางมีภาพรูปนึงมีความผูกพันกับจีวรมากเวลตายไปก็อยากจะอยื้อใจจีวรหองจีวรหองจีวรหักจีวรร ว่สมัยก่อนผ้าหายากก็ตายไปก็เลยมาเกิดเป็นตัวเลนเขาเรียกตัวเลนเนี่มันเป็นตัวแมลงเรื่องะไรก็ไม่รู้มาเกาะผ้าพระเจะเห็นตัวเลนก็ว่าอันนี้เป็นผ้าเจ้าของผ้าเลยบอกผ้าอย่าเพิ่งไปใช้ผ้าผืเนี้คือธรรมเนียมผ้าก็จะเอาผ้าของคนที่ตายไปแล้วมาใช้ต่อได้ถ้าไหนใช้ได้ก็มาใช้ต่อแต่ในพอดีพระเจ้าบอกเจ้าของยังไม่ยอมปล่อย ก็เลให้ตัวเรนนั้นตายก่อนเพราะตัวเรนตายไม่จิตจนั้นก็นจะไม่กลับมาหาพายง่ะเพราะรู้ว่ากลับมาก็ไม่สามารถมาครอบครองได้อก็เลยไปรับผ ล, ผลบุญผลบาปของตนต่นอไปแต่ก็คือถ้าสมมุติว่าในระหว่างที่สมมติถ้าตอนตายเราจิตใจสงบดีอันนี้ก็คือจะไปส่งผลบ<ช>ุญก <ผ electronic S 2> ่อนได้ใช่ไม่ไ<ป>ไตามผลมบุญผลบาปถ้าเราไม่มีความหวงแหนไม่มีความ ผ, ผูกพันหยาบคร ความผูกพันในในเรื่องของความรู้สึกสมมติสิ่งที่เราทําบาอะปบาปแล้วเรารู้สึกผิดรู้สึกไปผูกมันอันนี้ถือเป็นสั่งยศหรือเปล่าค่ะพระอาจารย์ถือเป็นข้อผูกมัดของใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือเป็นคือเป็นไม่ละมันมันมันเรื่องของสิ่งต่างๆเมก่อตอนที่เรามีความผูกพันบุคคลหรทรัพย์สินอะไรต่างๆที่เรารักเราชอบแเรื่องบาปนี่มันไม่มีความผูกพันแล้วเรื่องบุญเรื่องบาปมันก็ มันก็ทําไปตามตามเวลาโอกาสให้มันมีโอกาสได้ ท, ทําไปนั้นเองอ่าแล้วคือในแง่ของผูกความผูกพันของหนูหมายถึงแบบสมมติเวลาเราทําอะไรผิดสักอย่างหนึ่งแล้วเราจําันกับมันจังเลยอะค่ะคือแบบทั้งที่มันก็ผ่านไปนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไม่ได้เกี่ยวกับสังโยชน์ถูกไหมคะไม่ได้เกี่ยว<อ>ม่ใช่เป็นความผูกพันนึงก็เป็นแค่เป็นแต่ความคิดถึงมันอ่าโอเคค่ะ แต่ไม่มีอะไรให้เราไปผูกพันก็ไปยึดไปติดกับมันนครเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตแล้วเราแค่ไปคิดถึงมันเฉยๆคิดถึงมันไปเฉยๆก็ดีอย่างถ้าคิดแล้วก็เอามาใช้เป็นบทเรียนสอนใจว่าก็อย่าไปทำต่อไปสิถ้ามันไม่ดีก็อย่าไปทำอืมเข้าใจนะคะโอเคนะทางนี้นนหมดแล้วเ่เดี๋ยวต้องไปที่กุลาอีกรอบนึง ก, ก่อนกุนลามีคาถามไหมคุลา แบบนมมสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดห้าคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะถามมาได้เลยคําถามจากคุณธีรภูมิวิธีที่จะรักษาใจทําอย่างไรครับและผลของการรักษาใจคืออะไรครับก็ต้องใช้สติะสติเป็นผู้ครอบผู้ปกป้องใจให้ใจอยู่ในความสงบแล้วก็ตามด้วยปัญญาเบื้องต้นก็อาศัยสติก่อนเพราะปัญญาเราไม่มี มันเกิดขึ้นยากกว่าสติเราใช้สติเป็นตัวคอยคอบรักษาใจให้อยู่ในความสงบถ้ามีสติใจเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านไม่เครียดไม่วุ่นวายใจใจก็จะแน่งเฉยคุณถามต่อไป ระหว่างการทำบุญใส่บาตรซึ่งมีพุทธศาสนิกชนใส่บาตรมากอยู่แล้วกับการให้ทานแก่ผู้ยากไร้ผู้หิวโหวยซึ่งไม่มีคนเหลียวแลจะได้บุญต่างกันอย่างไรครับเออบุญมันมีสองอย่างบุญที่เกิดจากการให้กับบุญที่เกิดจากการที่เราจะได้พบกับบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยจะได้รับประโยชน์จากคนที่เราไปทำบุญด้วย เช่นถ้าเราไปทําบุญกับพระเนี่ยเราได้บุญจากการให้แต่เราก็ได้รับบุญ อ, อย่างหนึ่งคือเราได้ไ ด, ได้ได้รับคําสอนจากพระได้ธรรมะกลัมาแต่ถ้าเราไปทําบุญกับคนยากจนเนี่ยเราก็จะได้แต่บุญที่เกิดจากการให้อย่างเดียวแต่บุญที่เกิดจากการธรรมะเราจะไม่ได้เพราะเขาไม่มีธรรมะให้เราคําถามต่อไป ขอพระอาจารย์เมตตาช่วยสั่งสอนเรื่องการพัดพลากจากของที่รักของเจริญใจไม่ยึดติดด้วยเจ้าค่ะก็ทุกอย่างมันไม่เที่ยงไงต้องมีวันสิ้นสุดลงไม่ช้าก็เร็วมันจะเสียบ้างมันจะพังบ้างแล้วมันจะต้องไปที่อื่นบ้างอะไรทำนอง น, นี้เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่าไปยึดอย่าไปติดพร้อมที่จะให้มันไปถ้าพร้อมให้มันไปเวลายากกันก็จะไม่ทุกข์ แต่ถ้าไม่พร้อมยังอยากจะให้อยู่ต่อแต่ก็ห้ามเขาให้อยู่ต่อไม่ได้มันก็จะทําทให้ใจเราทุกข์คำถามต่อไปจากคุณอ้อพระอาจารย์วันเสาร์ลูกจะไปปฏิบัติธรรมที่แดนมหามงคลลูกขอคําชี้แนะจากพระอาจารย์และกราบขอพรเจ้าค่ะ อ, อ๋อก็ต้องไปทําตามที่เขาสอนเลยเราสอนอะไรไม่ได้แล้ว ไปอยู่ที่นั่งเาวห้ถอให้ทำอะไรก็รต้องทำตามที่เ็าสอนคำถามสุดท้ายจากคุณลําไยกราบนมัสการค่ะท่านพระอาจารย์เวลาปฏิบัตินั่งพุทโธพุทโธพอความเจ็บมาก็วางใจเรื่องความเจ็บไม่ผ่านสักทีเพิ่มเวลาขึ้นหนึ่งชั่วโมงไต่ถึงสองชั่วโมงครึ่งแบบพยายามทนอยู่ค่ะ ต้องทำใจอย่างไรให้ใจยอมรับในสิ่งที่ใจไม่ชอบคือทุกขเวทนาค่ะกราบขอพระคุณค่ะ เ, เราเบื้องต้นก็อย่าไปสนใจมันให้ใจผูกผูกไว้กับอะไรสักอย่างเช่นผูกไว้กับคำบริกรรมก็ได้หรือผูกอยู่กับการสวดมนต์ไปก็ได้อย่าไปสนใจกับว่าการเจ็บปวดถ้าไปมองมันแล้วมันจะทำให้เรายิ่งปวดเพราะเกิดความอยากให้มันหาย แต่ถ้าเราเอาเอาใจมาอยู่กับการสวดไม่ให้ไปสนใจกับการเจ็บความอยากให้มันหายเจ็บมันก็จะไม่มีพอไม่มีความทุกข์ก็จะให้ความทุกข์ก็จะน้อยลงไปทําให้เราอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้เวลาที่เกิดาการเจ็บขึ้นมาอย่าไปดูความเจ็บให้มานสวดมนต์ไปบริกรรมพูดโทไปบริกรรมอะไรก็ได้อันนี้จังทุกขังน้ะต่างก็ได้ เพื่อให้ใจมีอะไรทาเพื่อใจจะได้ไม่ไปไปคิดถึงเรื่องความเจ็บแล้วอยากจะให้ความเจ็บมันหายไปแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้มันหายไปก็จะไม่มีใจก็จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้หมดแล้วใช่ไหมโ <Okay. S 2> okay. อเคโอเคครั้งนี้ก็เวลาก็หมดพอดีกอขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติ ก็ความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด